มาช่ว่าก็ ล, ล้วแต่ปราสนาความสุขความสุขนี้อยู่เบื้องหลังความพยายามของเราการกระทำต่ตางๆของเราที่ทำไปก็รวดแล้วแต่มุ่งหวังความสุขที่เราเข้อหาธรร ม, มะ ก, ก็เราปราศนาความสุข และที่หลายท่านมาที่นีนะ่ถ้าสาหาไปถึงเหตุผลแรงจูงใจก็มาสุดที่ว่าปรารถนาความสุข น, นี่ความสุขเนี่ยจะมาได้อย่างไรคนุนไม่น้อยเนี่ยเชื่อว่าความสุขจะมีได้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีมากๆ ม, มีนั่นมีนี่มีมโน่นเช่นทรัพ์สมบัติเงินทอง <c oughs> ชื่อเสียงรวมทั้งประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ หลายกนเชื่อว่าถ้าได้ไปที่นั่นที่นี่จะมีความสุขถ้าเป็นวัยรุ่นก็อยากจะไปฝายบาคนก็อยาจะไปภูเจ็ดยิ่งใกล้ปีใหม่เนี่ยก็คิดว่าก็าได้ไปกูปกระดึงหรือว่าถ้ามีกำลังมากก็ไปฮ่องกงือก็โป ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยจึงจะมีความสุขพุทรโลคือว่าหลายคนเชื่อความสุขเกิดจากการมีกันได้แต่ถ้าเป็นความสุขกายมากกว่าหรือแม้จะเป็นความสุขใจแต่ก็เป็นความสุขใจที่ชั่วคพาประเดิษฐประดา ในร้องต่อสาสนาในความสุขไม่ได้อยู่ที่การิีการได้เท่านั้นอันนั้นเป็นความสุขเบื้องต้นทรัพย์ก็ทำให้มีความสุขแต่ว่าจิตใจเราในต้องการความสุขมากกว่า น, นั้นความสุขที่ ดีกว่าการมีการได้นะก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทำทำอะไรทำดีทำดีนี่ก็เช่นการรักษาศีลที่เราสมาทานศีลเนี่ยเพราะพะว่าศีลเนี่ยมีอันิ่สงส์คือทำให้เกิดสุขศีลเลนสุขก็จริงยังตินะศีลทาให้เกิดสุข สินในที่นี้เนี่ยเรียกรวมๆว่าความดีความดีเนี่ยขั้นพื้นฐานก็มีอยู่ห้ายอย่างก็คือสีหนห้าทัานเองแต่ที่จริงสีหนห้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ทํานั่นไม่ทํานี่นะอะไรยังแท้อยู่คนเราก็จะว่าสิหนห้าข้อแรกเนี่ยก็คือว่าการไม่ฆ่าสัตว์ ที่จริงยังมีอีกอย่างหน่งที่พวกมาคือว่าต้องมีความเมตตาด้วยสิ่งแต่ละข้อเนี่ยจะมีสองส่วนด้านนก็บอกว่าอย่าทำอย่าทำช่วยด้านจะทํคือทำดีสีข้อที่หนึ่งก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประหารประหาร ภารเดืกันก็ต้องมีเมตตาตนนุมาสิ่งที่สองเนี่ยไม่รักทรัพย์แต่การเดกันก็ต้องมีสัมมาชีวะก็คือมีชีวิตเลี้ยงชีพด้วยความชอบธรรมที่สามเนี่ยการไม่ประพฤติในการมสิ่งที่ควบคู่กันก็คือ ความพอใจในคู่ครองถ้ามีควากพอในในคู่ครองของตนเนี่ยการที่จะไปติดสินข้อที่สามเนี่ยั็ ย, ยากเหมือนแต่ถ้าเราดูว่าไม่ตาม ก, กรุณาเนี่ยการที่เราจะไปติดสินข้อที่หลึ่งกยากติดสเนี่ ย, ย, ย, า ก, ายการไม่พูดปดนะที่คู่กันตามติดกันมา และเราควรทำก็คือว่าความมีสัิจ่มซื่อตรงก็ที่ห้าแห่ไม่เสพสุรายามเมานะอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ความดีที่ควรทำควบคู่กันก็คือการมีสติสัมปชัญญะไอ้ครึ่งหลังเนี่ยนะที่เป็นความดีเนี่ย เรามันจะมองค่าไปหรือไม่ก็จะสอนแค่เท่าไหร่บางทีเราก็เรียกแยกเป็นอีกส่วนเรื่องเจะธรรมเพรานี้เขาเบญจะธรรมเนี่ที่จริงเนี่ยมันก็เป็นส่วนของศีลห้านั่นแหละนะไม่ได้แยกจากศีลห้าเมื่อเรามีศีลห้าในความหมายที่ครบถ้วนทั้งไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีและทําสิ่งที่ดีในเดี๋ที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นหลักประการแห่งความสมได้ก็คือว่าทําให้ ไม่มีเรื่องที่จะเป็นเหตุให้เดือดนนร้อนใจถ้าเรามีสี่ห้านี่มันก็มีหลักประกันแห่งความสุขในระดับหนึ่งแล้วความสุขนี้เนี่ยนะมันเป็นความสุขใจด้วยเพราะถ้าเราเกิดไปทำชั่วขึ้นมา เอไม่ต้องฆ่าสัตว์นะครับแค่ว่าไปขโมยของเนี่ยก็จะเกิดความทุกข์ใจมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นงานเลี้ยงนะของบริษัทแล้วก็มีของมาตั้งวางอยู่เป็นของขวัญนั่นนะแกก็นึกว่าเป็นของแจกนะแกก็หยิบไปมารู้ทีหลังว่ามันเป็นของจับฉลามมารู้หลังจากที่ กลับไปถึงบ้านแล้วไม่รู้อะรของที่วางของแจกเป็นของจับสลากแจกก็เสียใจนะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเราไปขโมยของเขามาแตกก็ทุกข์นะทุกข์เป็นไม่ใช่เป็นวันนะเป็นอาทิตย์เลยนะเราเมจมส์จะมากรึกษาต่อมาทางเฟสบุ๊กว่าจะทำยังไงดีนะนร้อนใจเลยเลยดนี่นาดไม่ตั้งใจขโมยนะ แต่พอรู้ว่าอาการของตัวเองที่ทาเนี่ยมันเหมือนกับขโมยอันนี้เรียกว่าได้ของมานะแต่ทุกข์นะไอ้ของนั้นการทุกขราภเลยใหความสุขที่ได้จากการมีการได้เนี่ยถ้ามันได้โดวยวิธีที่ไม่ถูกต้องหรือว่าถึงแม้จะได้อย่างถูกต้องแต่ว่าเกิดไปทำอะไรไมู่่ที่ติดสีขึ้นมาเนี่ยให้ความสุขจากสิ่ง น, นั้นนี่มันไม่สามารถจะทดแทนความทุกข์ ที่เกิดจากการปิดสีได้เลยแต่ถ้าเกิดเราทำความดีนะลรงสีท้าครบถ้วนเนี่ยแม้เราจะมีเงินน้อยไม่ค่อยมีความสะดวสบายทางกายเท่าไรแต่มันมีความสุขใจนะมีความปราบรื่อใจแต่ความดีเหล่ น, นี้มันะมีประโยชน์นะ เพราะว่ามันจะมีอธิสงยั่งยืนแล้วก็ทั่งเวลาจะตายเนี่ยนะความรู้ถึงความดีที่เราได้ทำเนี่ยจิตใจก็อิ่มเอิ่มพระจ้าตรัว่ า, วาบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตความดีเนี่ยก็คือบุญนั่นแหละนะเราทำดีก็คือเราทำบุญ ถ้าเราไม่ได้มีความสุขเฉพาะตอนที่ทำาหตการผ่านไปหลายปีเราเริ่มนึกถึงเราก็มีความสุขพอเราจะตายเนี่ยลึกเรเรึกถึงล้าก็ไม่มีความทุรนทุรายมีหลายคนที่พอจะตายนะนั้นะแต่อีคนนอนจะให้ึมความดีที่ได้ทำบุญที่ได้ทำกับพระสงค์ หรือว่าความดีที่ได้ทำกับลูกน้ำใจในใจที่ได้ทำกับเพื่อนก็เกิดความติดตินะความทุกความเจ็บปวดก็เลือนหายไปยังมีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมะเร็งที่ท้องนะนะที่ลำไส้แล้วปวดก็ปวดมากพยาบาลก็มาถาม แต่ว่าไม่ได้ถามว่าปวดเท่าไหร่ปวดตีคะแนนศูนย์คือไม่ปวดสิบคือปวดที่สุดส่วนอย่างพยาบาลจะถามในนี้แต่พยาบางที่ไม่ถามพยาบาลถามว่ายายในชีวิตที่ทไไําแล้วมีความสุขมากที่สุดยายก็ตอบว่าหลอกพระสิกบกว่าปีก่อนจะได้เป็นหลอกพระนี่คนอิสานคนบูรีรั ยายจันได้แม้ว่าย า, ายาใส่เสื้อสีอะไรรุ่งผ้าสี อ, อะไรในวันนั้นยายจันได้หมดเพราะเป็นผ้าที่ประทับใจมากยายก็เลยชวนคุยนะยายก็มีความสุขที่ได้พูดถึงเรื่องหลอกครับเพราะคนเท่าคนแก่การได้หลอกใครเป็นเป็นบุญที่เป็นบุญ ท, ที่มีความภาสภูมใจเป็นการสื่อต่อาศาสนาชวนคุยสักสิบนาทียีสิบนาทีได้ คุยจบแจ้าก็พูดใใจริงๆเจ้ามา ห, หมอใช่ไหมบางหมอแปลกนะความปวดมันหายไปเลยนะปวดๆอยู่เนี่ยพอเรื่อถึงบุญที่ได้ทำเนี่ยนะมันเกิดความสุขมันสุขใจแล้วความสุขใจก็คลอยทําให้ความปวดทางกายมีนหายไปอันที่หละที่พุกเจ้าแต่ว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิต กุญแจนีก็ใกล้ตายแต่ว่าจะไม่ได้พอเรืถึงบุญที่ได้ทำแกก็มีความฝ่าฝืนความผุติดเพราะว่เนี่ยความความดีเนี่ยนะมันเป็นการแหความสุยและความดีเนี่ยก็คือการรักษาสีในความหมายที่ไม่ทําชั่วแล้วก็ทําดีด้วยนะมีน้ําใจไมตรี มีเมตตาตรุณาเป็นต้นแต่ว่ามันก็เป็นหลักประจัยแห่งความสุขในระดับหนึ่งนะเมืเ่อเช้าตรเราก็พูดไปแล้วว่าใช้คำว่าในระดับหนึ่งเพราะว่าทําความดีแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังทุกข์อยู่ทุกใจนะทุกใจเนี่ยไม่ได้ทุกเกี่ยวความดีนะแต่รยกทุกเรื่องอื่นทุก เ, เจอเหตุร้ายเจอความพัฒ่าสูญเสียเจอคาต่อว่าดาทอคนดีหลายคนผู้ปดิบัริทรรมหลายคนผู้ฝ่ายทําหลายคนมีความทุกข์ใจมีความเครียดมีความวิตกกังวลเรื่องลูกเรื่องล้าน เรื่องบ้านเรื่องเมืองสารพักความทุกข์นี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากใจไม่ได้เพราะแดดร้อนฝนตกไม่ใช่เพราะรูปทาตัวไม่ น, าน่ารักปัญหาต้นมีอยู่แต่ว่าเมื่อวางใจไม่ถูกต้องก็จะเกิดความทุกข์ขี่ใจ พู้จาตัส ว, ว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนําสุขมาให้พูดในทางกลับกันคือว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยย่อมนําทุกข์มาให้้หการรักษาศีลการทําความดีเนี่ยมันเป็นการฝึกกายกระทําในระดับกายวาจาซึ่งดีแต่ไม่พอต้องฝึกจิตด้วยนะ นับชอบผู้ใจกดก็ให้ทานก็ดีนะขยันขันแข็งรักษาศีลก็ใส่ใจแต่ว่าลืมเรื่องการฝึกจิตนี่คือเหว่าทำไมภาวนาถึงสำคัญและการฝึกจิตที่สำคัญนะก็คือฝึกปล่อยวางฝึกปล่อยวางการปล่อยวางทำให้เกิดสุข ทางโลกบอกว่ายิ่งมีมากๆเนี่ยยิ่งมีความสุขแต่ทางทําบอกว่ายิ่งปล่อยวางที่งมีความสุขปล่อยวางที่ใจในสำหรับพุทการเนี่ยมีมีเรื่องเล่านะก็คือว่าพวกเราคงรู้จักองค์ุลิมานนะองคุลิมานเนี่ยภายหลังได้มาบวชพระแล้วมาเบิกพระแล้วก็เป็นพระที่เรียบร้อยอ่อนน้นองถ่อมตน เท่าที่เรียนมามากนะสมัยที่ก่อนที่จะเป็นขุมหาจนองคุลิมาเรียนมาเยอะนะฉลาดแต่ว่าคอมบวชแล้วไงอ่อนน้อมควมตนไฝรู้มีวันหนึ่งพระเจ้าสอนเรื่องให้รู้จักหาไกรยานมิตรองคุลิมาก็น้องแล้วก็ทำตามที่พระเจ้าสอนคือหาไกรยานมิ <c oughs> ก็ไปเจอพระรูปหนึ่ง ที่เชษตวันอยู่ด้วยกันที่เชษตะวันเชษตะวันนี้ก็เราถ้าเราเคลไปรั่วมันใหญ่มากกวามมามา้างกว้างนถ้าลุกนนั้นชื่อนันทิยาพระนันทิยาชี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าคงไม่มีเวลาที่จะมาเล่าในที่นี้พระนันทิยาเป็นพันเต้ป้องคลีมานเนี่ยเป็นพระบทหมย่ยเข้าไปสนทนาแล้วก็กราบถามพระนันทิยาว่า พระผู้นี้พระพ่อเจ้าสอนอะไรนี่เรียกว่าธรรมสาสตร์ชาลนะเป็นผู้ใฝ่ธรรมมากอยากจะรู้ว่าที่เจ้าสอนอะไรพนันทีย์พระนันทีย์ก็อธิบายสรุปสั้นๆพระผู้นี้พระพ่อเจ้าสอนให้ปล่อยให้วางข้างหน้าข้างหลังและข้างกลางคือไม่ติดในอารมณ์ ที่เป็นอนดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นพอใจไ ม, ไม่พอใจก็แล้วแต่ก็ให้ปล่อยให้วางไว้เป็นกองกองอย่าแบกเอาไปด้วยเมื่อเขาดาว่าเราบนบกก็ให้กองไว้บนบกกองก็คือกองคําพูดนะนะโนตั้งกองในความไม่พอใจไว้ กองไว้วางบนบอกอยากเอาลงน้ำถ้าเ็ด่าว่าในน้ำก็ให้กองหรือวางไว้ในน้ำอย่าขึ้นบบกถ้าเขาว่าในเมืองก็กองวอางไว้ตรงนั้นอย่าเอาไปเชตะวันนี่คือส่วนหนึ่งของอคำกล่าวของพระนันทียัที่เกี่ยวกับคำสอนพุทธเจ้าน่าสนใจในเรื่องปล่อยวาง ทุกเจ้าสอนให้ปล่อยวางทั้งข้างหน้าข้างหลังและข้างกลางก็คือว่าไม่ยึดติดในอดีตอนาคตและปัจจุบันทำไมถึงสอนอย่างนั้นก็เพราะว่าคนทุกวันนี้เนี่ยทุกเพราะไปยึดติดในอดีตแล้วก็ไปจมอยู่กับอนาคตลองสำรวจจิตใจของเราเนะเมื่อเราทุกเวลาเราทุกเนี่ย ไม่ว่าจะทุกข์คือเศร้าโศกเสียใจอะไร ห, หรือว่าโกรธส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่เราไปไปยึดติดอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้วเมื่อสูญเสียของรักสูญเสียคนรักเราปล่อยวางไม่ได้ เราก็ยังมีความอลาัลไลมีความเศร้าโศกบางทีก็มีความเสียดายเงินถูกโกงไปนะรถถูกขโมยก็ยังเสียดายถามว่าเราได้อะไรบ้างนะจากการที่ยังมัวยึดติดอยู่กับอดีต มันจะกลายเป็นว่านอกจากจะเสียสักแล้วนะใจก็เสียด้วยใจเสียไม่พอนะพอกร่มหัวุ่มใจก็กิดไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายภ่ายคอมสุดท้ายก็เจ็บป่วยกลา็นวาเสียสุขภาพเสร็จ แ, แล้วไม่มีกะติกระใจทำ ง, งานก็เสียงา น, าน และตามมาด้วยการเสียสมรรถภาพเพราะว่าพอหมีพอกรุบมอกู้นใจก็อารมณ์เสียง่ายใครมาพูดใครมาซาว ก, ก็โกรธ ด, ด่าว่าเขาเสียเพื่อนนี่นะเสียสมรรถภาพเสียผู้เสียคนแทนที่จะเสียแค่ทรัพย์นั้นก็เสียอะไรต่ออะไรไปเยอะ มันไม่มีประโยชน์เลยมันมีแต่โทษอย่างเดียวการที่เราไปจมอยู่กับพอดีอนาคตก็เหมือนกันนะอนาคตเนี่ยสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแตกก่เราก็ที่งตกกังวลเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นอย่างไรรู้จะสอบควาหมหายเั่าไรได้ไหมภาอเปิดกว้ สุขภาพเนี่ยหมอนัดอีกสามวันมารับผลเนี่ยใจมันปะรุงนะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะพอที่แบบนี้นะลมนรกทันทีเลยแล้วก็มีหลายคนนะหมอนัดให้มารับผลตรวจสามวันข้างหน้าไอ้ต่อสามวันนี้นะร้อนเหมือนกันรกเลยพอไปรับผลตรวจผมพิจิตร์ใช้ ไม่เป็นอะไรโอ้ดีใจแล้วก็รู้สึกเลยนะโอ้เราโง่มากเลยนะที่สามวันที่ผ่านมาที่เราไปปูนแต่งอยู่กับเรื่องอนาคตทุกฟรีสามวันตกนรกไปเลย mm hmm. แล้วบางทีนะพอไปไปกมมวลมากๆนะเวลาเจอข่าวร้ายเนี่ยทีมันทำให้เรารู้สึกหนักกว่าเดิม คุณ ป, ป้าคนหนึ่งไปไม่สบายก็ไปเข้าโรงพยาบาลเขาเขาก็ออกอยู่นั่นแหลไม่รู้เป็นอะไรจนระทั่วันหนึ่งออกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตัดนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนโอ้จะสุดเลยนะแย่กินไม่ได้นอนไม่หลับหมดอะไรไปอยากเอาชีวิตต้นไปก็ถึงแต่ความตายที่รอยอยู่ข้างหน้าสามเดือนข้างหน้า ถึงความเจ็บปวยนึกถึงลูกเล้งหน า, าจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเราอนาคตทั้งนั้นเราก็ตีและแทบสุวันแกถ้าตายถามว่าแกตายเนี่ยเพราะมานเลนมันลามเร็วนะั้น่ช่วยเหลอสุ ว, วันไม่ใช่นะเพราะใจที่ไปตกอยู่กับอนาคตเมื่อใดก็ตามที่เราจงอยู่กับอดีตก็ตามจมอยู่อนาคตก็ตามเรากาลังทําร้ายตัวเองเรากำลังซ้ําเติมตัวเอง ความโกรธก็เหมือนกันนะเวลาเราโกรธอย่างโยโอยู่ตอนนี้เนี่ยนะถามให้ถามว่าถ้าจะไว้โกรธ เ, เนี่ยจะโกรธหมไม่โกรธเลยแต่จะโกรธก็ตอ้องมนึกไปถึงเหตุการณ์อดีนึกถึงคำพูดของใครบางคนนึกถึงคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กที่เพื่อใครมือมัดยเข้าไปนึกถึงการทาที่ไม่ดีหักหลังนอกใจนึกถึงเมื่อไหร่ถึงจะโกรธ นั้นพูดได้ว่าความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเราไปนึกถึงกรณีล้อมไม่คล่อยไม่วางแล้วนึกไปล้วมีประโยชน์อะไรนะพูดอย่างนี้เพื่อแสดงความว่าไม่ให้เราคิดถึงกดณีนะนแต่ว่าให้มันให้เราคิดนึกให้เป็นพระเจ้าตรัสว่านะบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเรืออารายและไม่ถึงโตถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง คือที่ถึงอดีตด้วยความอาลัยมีประโยชน์แต่ถ้าท่านนึกถึงอดีตเพื่อทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเช่งใกล้ปีใหมแ่แล้วเราก็มองย้อนกลับไปชีวิตผ่านมาในแต่ละในในปีนี้เราทําอะไรดีบ้างเราทำอะไรที่ไม่ดีที่ควรแก้ไขบ้างอันนียน้ยดีคือการคิดถึงอดีตด้วยสติไม่ใช่ไปคิดถึงอดีตด้วยความอาลัยด้วยความเศร้าโศกอนาคตกําล็นกันไม่ถึงพะวาถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่ถ้าเราจะนึกถึงอนาคตเพื่อวางแผนใช้สติใช้ปัญญานี่ดีนะปีหน้าเนี่ยถ้เรเศรษฐกิจจะไม่ดีนะเออเราจะวางแผนการใช้เงินอย่างไรเราจะวางแผนการหาไรายได้อย่างไรเราจะวางแผนจัดการการเงินอย่างไร อ, ง อ, งอันนี้ถูกต้องอันนี้เรียกว่าไม่ได้ยึดติดกับอนาคตแต่ว่าใช้ปัญญาจะรเอาเพราะนันนี้นะ อย่างแรกที่เราควรทํานะถ้าปาจฉนาความสุขคือรู้จักปล่อยวางอาดีตและอานอาคตนะจะปล่อยใจให้หลงอยู่กับอดีตหรือเขาวงอยู่กับอนาคตด้วยความหลงประการต่อมาคือว่าปัจจุบันก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะ่พระนันทญาทขาบอกว่าเนี่ยปล่อยวางทั้งข้างหน้า ข้างหลังและข้างกลางข้างกลา ง, งคือปัจจุบันไม่ยึดติดอารมณ์อันเป็นอดีตอานาคตและปัจจุบันอารมปัจจุบันเช่นอะไรนะเชนเนน่นเสียงโทรศัพท์ดังกําลังฟังอยู่เนี่ยมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาแสา้ขึ้นมาในห้องประชุมอันนี้เราก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะถ้าโยนไปยึดติดเสียงนั่นนะโยก็ห้ามือเราหลคาใช่ไหม เราก็เลยฟังเทศมาพูดไปเรื่อยๆต้องวานนะเสียงไม่ใช่เสียงในจริงมันไม่ได้รบกวนเรานะแต่พอเราไปเกี่ยวข้องแต่มันไม่ถูกเนี่ยเราทุกข์สมัยที่ หลงหวงพ่อชายังมีชีวิต อ, อยู่นะหลงหวงพ่อชาสุภัสโทวัดหนองกระพงเนี่ยก็มีเหตุการณ์คราวหนึ่งนะคือที่หมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ใกลวัดเนี่ยเขามีหมระศพเข้าใจว่ามีการบรรจุ ก, กระดูกข้าท่าตามประเพณีสายก็เลยต้องทำให้เป็นงานใหญ่มีหมระศพทั้งกลางวันและกลางคืนมีหมอ ร, รก็ต้องเปิดเสียงใช้เครื่องเสียงนะดัง ดังกลงวันให้พอดังกลางคืนด้วยทั้งคืนสามวันพระที่นอนไม่หลับก็ไปขอให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ช่วยลดมลระสบให้เหลือแค่ตีหนึ่ได้ไหมพระจะได้มีเวลานอนสองชั่วโมงตีสามจะได้ตืน่นมาทำวัดเพราว่าไม่ยอมก็เลยไปพระก็เลยทำยางไนไปปรึกษาหลวงพ่อชา อยาจะขอร้องให้หลวงพ่อชายไปบอกพวกท่านว่าให้ลดเสียงหน่อยละการใช้เสียงหน่อยเพราะว่าหลวงพ่อชายแทนที่จะเห็นด้วยนะท่านกับพูดว่าเสียงนะนะมันไม่ได้รบกวนพวกท่านเอาพวกท่านอนะ่ะไปรบกวนเสียงเองเข้าใจไหมคือใจของพวกท่านอนะ่ะไปต่อแล้วต่อเทียงกับเสียงนะั้น อย่าเสียงตัวสัตว์ดังขึ้นมานี่นะถ้าเราฟังเฉยเฉยไม่มีอะไรคลาสอีกนะแต่พอเราไปต่อร้องต่อเทียงกนเสียงคือมีความชังไม่ชอบรู้สึลกลบกับเสียงยามไปต่อรองต่อเทียงเป็นกดข่มไปรมป ล, ล้ำพันตัวเสียงเราทุกเลยนะใจเราทุกอาการอย่างนั้นเราเรียกไปยึดติดนะเสียงจดจัอยอยงแล้วกนะ็ไปติดจอ่ตัดเสียงนั้นแหละมันก็จะเกิดอาการยึดติด ที่ที่พูดที่ชัดก็คือกรณีที่หลวงปู่บุตรานะอันนี้ยตตรมา ก, ก็เล่ามา ก, ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากหลวงปู่บุตรานี่ชาววโรดังนั้นเืองนี้ตัดติมา50ปีมาแล้วนะท่านได้รับนิมมลให้ไปฉันฉั น, ฉนเพนที่บ้านโยที่กรุงเทพฉันเสร็จโยก็ให้ท่านพักในห้อง จำว่าสมัยเพราะว่าปูกกระชาลาแล้วจะไม่อยากให้หลวกปู่เนี่กลับสิงห์บุรีเพราะว่ามันไกลสมัยนะั้นห้องที่จัดนี่ก็เป็นห้องที่สงบแล้วก็มีโยมลูกศิษย์มานั่งเป็นเพื่อนเวลาลูกศิษย์จะคืนก็กระซิกระาแต่เพราะว่าห้องที่ติดกันเนี่ยนะคือเป็นห้องแถวนะห้องที่ติดกันเนี่ยก็เป็นร้านโชร้านโชห่วยร้านขายของชำ เจ้าขอนี่เปามมา็นอาวุาซิงคนณจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาสวมเกี้ยวเกี้ยไม้เกี้ยไมย้มี่เวลาเดินเนี่ยนะก็ดังที่ขึ้นบันไดที่งดังเสียงดังก็ดังเข้ามาถใน ห, ห้องที่หลวงปู่บุญตาจำว้รู้สึกก็หงุนหงิดลาคาก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่เกรงใจกันเลยนะั้นเดินเสียงดังจังหลู่บุญตาท่านได้ยินนะแม้ท่านหลับตาอยู่ท่านก็เลยพูดเปลือยขึ้นมาว่าเนี่ย เขเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาูไปลองเกีย้ยเขาเองนะเสียงเกีย้ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่เอาหูไปลองเกีย้ยนะอันนี้คือความยึดติดนะคือพอเราพอที่เสียงเกีย้ยในใจมันไปติจดจอยอย่อตงนั้นนะก็คือเอาหูไปลองเกีย้ยนั่นเองนะอาการยึดติดในอารมณปัจจุบันทำให้ทุกข์ ไม่ใช่เสียงเขาไม่ทุกนะั้นแต่ว่าพ่อไปยึดติดกับเสียงนั้นพ่อไปในงที่หลวงพ่อชาดใช้คำว่าไปทะเลาะไปรบกวนเสียงนั้นความเจ็บความปวดความเมื่อยในร่างกายก็ยเหมือนกันนะเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะบางคนเนี่ยคนเท่าคนแก่ก็จะปวดก็จะเมื่อยมันไม่ใช่อดีตไม่ใช่เอาคนเป็นปัจจุบันเลยนะแต่ถ้า ถ้าไม่ไปยึดกับในไม่ไปยึดกับเวทนานั้นนะไม่ไปใจไม่ไปจดจ่อที่ความเจ็บปวดนะมันก็ปวดแต่กายใจไม่ปวดแต่พอใจเนี่ยไปจอดเนี่ยเป็นก่อนที่ความปวดความเมื่อยนะตรงขาก็ดีตรงตรงเท้าก็ดีที่เอวก็ดีเนี่ยมันจะไม่ได้ปวดแต่กายนะใจปวดด้วย เมื่อแล้ก็ตามที่เรารู้จักปล่อยรู้จักวางเวทนานั้นความปวดความเมื่อ น, นั้นเนี่ยใจก็จะเป็นปกติกายยังปวดอยู่แต่ใจปกติ mm hmm. เวลาโยมปวดเมื่อยเนี่ยลองนะสังเกตว่าใจมันอยู่ที่ไหนใจมันจอยู่ตรงจุดที่มันปวดเมื่อยมันจะไปปักตื้นตรงนั้นถ้าเราต้องรู้จักดึงจิตออกมา เอามาอยู่กัลมหายใจก็ได้มีคนไข้คนหนึ่งนะเป็นอาจารย์แพทย์อายุสี่สิบกว่าเนี่ยบกว่ามะเร็งมะลุกลาวเป็นกระดูกจะปวดมากเลยให้ยาแล้วนัปวดก็ยังปวดอยู่และจะให้มากๆก็ไม่ได้ให้บ่อยๆก็ไม่ได้ต้องมีเวลาไม่นั้นจะเกิอดอันตรายแค่คนไข้เนี่ย นอนไม่ได้นะต้องนั่งนั่งก็นั่งแบบนอกรองนอทีเพื่อนะ่ะคุณหมอมารา ม, มาลีลา ม, มาเยี่ยมก็อยากจะช่วยก็เลยถามคนไข้ว่านั่งสมาธิเป็นไหมนั่งไม่เป็นมันจะสอนหายใจเข้าคือหายใจออกโทรในใจนะั่นแะคุณหมอที่ว่าเนี่ยคนไข้คนค น, นี้เนี่ยผมนั่งจะไม่ถึงห้านาทีพราะปวด ปวดจนทั่งตัวนี่สีนะปานี่สีเหนือนี่ไม่โตโตเลยปวดขนาดนี่ตัวซีนี่นะมันหนักมากผมนั่งไปถึงห้านาทีพรากว่าห้านาทีก็แล้วสี่นาทีก็แลนั้นก็เยังนั่งแล้วยิ่งนั่งก็ยิ่งผ่อนคลายตัวเนี่ยตรงและผ่อนคลายปรากฏนั่งถึงสี่สิบห้านาทีแล้วพอลืมตาขึ้นมาก็ก็สดชื่น ปล่าเป็นสีชมพูนะเนือนี่หายไปเหมือนกับเป็นคนละคนเนะี่ยความปวดยังอยู่นะแต่ว่าใจเนี่ยปกติพอใจสงบแล้วนะมันก็ทำให้ความปวดมันทุเราเลงเมื่อเรามีสมาธิกรมหายใจเนี่ยมันช่วยทำให้จิตมันยุ่ปวด หรือว่ามันทำใหจิตเนี่ยมันวางความปวดนะอันนี้แล้วว่าเป็นการปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันโดยเพราะอารมณ์ที่มันเป็นทุกขเวทนาทันว่าจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เป็นเป็นกุศลหรือเป็นการกลางคือลมหายใจจิตของเราเนี่ยเหมือนอะกับมือหนึ่งมือเดียวนะถ้าเรายังถ้าถ้า ปกติเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเจอเศษเจ้ามัก็กำาไว้รรแล้วก็กำแล้วก็บีบอยู่ตั้งแต่มันก็เจ็บเศษแต่มันก็ไม่ยอมเลิกกำบาทีเศษแก้วแล้อว่มีโกนก็กรรำอยู่แล้จะทำยังไงถึงจะให้ให้วางมีโกนหรือเศษแก้วบางทีเราก็ต้องยื่นดอกไม้ให้พอยื่นดอกไม้ให้ก็ไปจับที่ดอกไม้เป็นกำดอกไม้พอไปกำดอกไม้ก็วางมีโกนไว้วางเศษแก้ว จับดอกไม้กำดอกไม้วันนี้ปวดนะั้นก็เลยปวดใช่ไ้ยไอการที่ดึงคนมาอยู่กับลมดึงจิตมาอยู่กัลมหายใจก็เหมือนกันนะอันนี้เราปล่อยวางอารใน ป, ปัจจุบันอาใน ป, ป, ปัจจุบันนี่ราถึงปัญหาก็ได้งานกาก็ไดนะ้หลายคนเนี่ยนนะรู้สึกก่มใจเพราะว่าปัญหารุมเรานี่สิง งานการลูกพ่อแม่คนรักสารพัดปัญหานี่ก็เป็นของจริงนะไม่ใช่อดีตไม่ใช่นาคตมันมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆิก็เหมือนกันนะถ้าเราไปแบมันเมื่อไหร่เราก็ทุกข ก็มีตัวใหญ่หลวงข้าวฉายเหมือนกันนะมีนายตำรวจคนหนึ่งมาปรึกษาเจ้าหน้าทสื้อสัจริตแต่มีความทุกข์มากเลยอยากจบจากราชการเพราะว่ามีปัญหาในที่ทำงานก็มาปรึกษามาระบายหับงข้าชายเจ้านายไม่เป็นธรรมต่กแก้งเพื่อนร่วมงานก็หักหลัง หรือก็แทงข้างหลังคอยขัดแขท่งขัดขาเรื่อยขาเขาอี้ทำงานมาได้รับการเลื่อนขั้นคณที่ทุ่ททททเทนแตจะออกนะบนระบายหรือว่าชายเล้วก็ฟังนะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรพอนายก็หลนะพูดจบท่านก็ชี้ไปที่ก้อนดินที่วางอยู่หน้าผุดเหตุ น, นี้ก้นั้นไหมครับ หนักไหมหนักครับแบกไหวไหมไม่ไหวครับเออถ้าไม่ไหวก็อย่าแบกมันนะหินเนี่ยนะมันหนักต่าเมื่อเราแบกใช่ไหมหลือนพะ่อชายในท่านพูดอย่างนี้เนี่ยนะในตัวเราคนนั้นแกก็ได้คิดทันทีเลยว่าไอ้ที่แกกุ้มใจเนี่ไม่ใช่เพราะปัญหามันเยอะแต่เพราะแกไปแบกปัญหาเข้าใจไห หินไม่หนักถ้าเราไม่แบกมันะปัญหาเนี่ยก็มีว้แก้กราไม่ได้ม่ได้ยู่ได้แต่ให้กลุมเรยบร้ยนะปัญหามีว้ธีแก้ไม่นดเหลือให้กรุ่มนะอันเนี้ยก็ต้องอาศัยการปล่อยวางมีปัญหาก็ต้องแก้กันไปแต่จะแบกมันตลอดเวลาไม่ใช่ว่ากินก็แบกจะนอนก็แบก อยู่กับโลูกก็ยังแบกคุยกับลูกไม่รู้เรื่องเลยเพราะมันคิดแต่เรื่องที่สิ้นแเรื่องปัญหานี่สิ้นอยู่เหมือนกันนะนี่นี่เนี่ยสิ้นมีมีนี่สี้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือคือชำระมันทั้งหมดแต่ไม่ใช่แบบเอาไว้หลายคนเนี่ยคอยแแบกนี่นะบางทีนี่ยันี่นี่มีไว้ชำระเคยมีคนถามอาจารย์พียอม วัสดุแก้วเดี๋ยวก็เท้าเนี้ยวัสดุแก้วเนี่ยกยู้เงินธนาคารมาเยอะเป็นลิ้ธาคารมาหลายสิบล้านอาจารย์เครียดไหมอาจารย์พุกมไหมท่านก็บอกว่าเนี่ยจะเครียดทำไมจะพุ่มําไมในคนที่ควรจะเครียดมากกว่าคือเจ้าของเงินนะนะว่าว่าตมาจมีปัญญาจ่ายเขารึเปล่านะาาท่านตมาไม่เครียดหรอกเขาไม่ใช่เงินของตา ม, มาประโยชน์ร้ายให้ตา ม, มาดเติม เห็นไหมคะคือหนี้เนี่ยนะบางคนก็อาจต่กู้มจาจะมีเงินสงหนี้ไหมชาระหนี้ไหมอนาคตทั้งนั้นเนี่ยใจหลายคนก็มันก็เป็นปัญหาในปัจจุบันส่วนหนึ่งนะ mm hmm. ก็คือว่ามันยังคาราคาสั่งแต่ถ้าเราแ บ, บกเราก็ทุกนาำพยนต์ที่ใค่ต้อไปจับเดียวนะท่านก็ทำเต็ตที่นะไอ้หนี้ก็ต้องหาทางจ่ายแต่ว่าไม่เอามาแ บ, บกเอาไว้ ปัญหาก็เหมือนกันนะมีก็ต้องก็ต้องเข้าใจแก้ใ น, นแบ่ละแบเนี่คือการปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะะแต่แม่ได้าปลว่าปล่อยา่างแล้เลยนะยประเด็นนี้เราจะคูดกันนะต่อไปถ้าเราถ้าเรารู้จักปล่อยวางนะ อดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะใจเราจะเบาแม้ว่าปัญหายังมีแม้ว่ า, า, วากายก็ยังเ ป, เปดอยังเจ็บยังป่วยแต่ว่าใจก็เป็นปกติได้ไรว่าอย่างนี้สำคัญเนะีย ไรวางการเปรียบเทียบคนเราเนี่ยไม่ว่าเราจะมีเท่าไหร่นะแต่พอเราไปไปมองคนที่ก็มีมากกว่าเรานะเราจะเป็นทุกข์เลยเราจะรู้สึกว่าเรามีน้อยกว่าเขาเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีอย่างที่เขามีคนทุกวันได้มีความสุขพร่อง ม, มีความสุขขาเพร้ะแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลย ถามว่าเป็นข้ออะไรทัานเ้าที่ก็มีเต็มไปหมดเลยเป็นข้อไปเห็นคนหนุ่มก็มีมากกว่าก็มีดีกว่าพ่อแม่หลายคนเนี่มีความพุกข์มากทั้งที่ลูกก็ดีนะแต่ ก, ก็เห็นลูกคนหนุ่มก็ดีกว่าลูกเราเช่นเรียนเก่งกว่านะเขาพูดจาไพเราะกว่าแล้วก็มีสมาธิร่วมากกว่า พ่อนี่เครียดเลยแมานี่เสียใจทั้งที่ลูกก็ไม่ได้แย่เลยนี่เพราะชอบเปรียบเทียบแล้วความเปรียดเทีทําให้ทุกหลายอย่างแล้วไม่ใช่เฉพาะทุกอของพ่อของแม่วัยรุ่นเนี่ยหลายคนทุกมากในทั้งที่หน้าตาก็ดี แต่เขาจะพอเไปเปรียบเทียบกับดาราเขาไปเปรียบเทียบกับดาราเกาหลีดาราญี่ปุ่นเขาไปเปรียบเทียบกับนาแบบเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยขี้เหล่ไม่สวยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยโฆษณาเนี่ยมาทําให้เด็กวัยรุ่นหนุนสาวเนี่ยรู้สึกด้อยกับหน้าตาของตัวร่างกายของตัวอบเขาไปรู้สึกว่าเราเกิดการเปรียบเทียบกับว่านี่โอ้โหเขานะีผิวขาวนะ ให้เรานี่ผิวคร้บให้เรานี่เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายรักแร้ให้ขาวคือเขาจะเขาจะทุกข้อเรื่องแบบนี้เพื่ไปเปรียบเทียบนะและสมัยนี้เนี่ยนะยิ่งมีอินเทอร์เน็ตมีเฟซบุ๊กนะคนจะมีความทุกข์มากนะวิธีการวิจัยพบว่าคนมีความทุกข์เพราะเฟซบุ๊กมากขึ้น เพราะอะไรเพราะว่าเวลาไปไปดูเพจเฟนปุน๊บของเพื่อนเพื่อนคนอืนกันเฟนทก็มีความสุขนะก็ไปถ่ายรูปอาหารที่กำลังกินนะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กำลังมีความสุขเรือเ่องแต่เราไม่ต้องมาทางำงานใช่ไหมรู้สึกว่าเนี่ยโอ้เราดีแย่เราไม่โชคไม่ดีเราอาบรับทั้งที่ไอเฟนทุกคนอื่นก็เหมือนกันเนี่ย พยายามเอารูกดีๆเอาขึ้นมาแต่เขาก็มีความซูเปอรก็เป็นคนมีความสุขคือมันมีการเปรียบเทียบเนี่ยเฟซบุ o กมันทำให้เกิดการเปรี่ยนเทียบแล้วเป็นการเปรียนเทียบในสิ่งที่มันเป็นมายาเพราะว่าไอ้ที่เอาขึ้นเฟซบุ o กเนี่ยนะมันก็เป็นการปูนแต่งเท่านั้นแหะแม้ถ้าหน้าตาที่าสวยเนี่ยบางคนเนี่ยกว่าจะได้ภาพที่าสวยนะเป็นหน้าตาตัวที่เราเซลฟี่นะถายภาพตื่นไปหลายร้อยร้อยต่อภาพแล้วเพิ่มเรื่องต่อภาพเพราะมถ่ายภาพเป็นรอตเป็นชั่วโมงชั่วโมงตั้งวันหรือเนี่ยนะ แล้วเหลือภาพี่ดีสุดแล้วก็มาแต่งมาอะไรเนี่ยเอาขึ้นส่วนเพื่อนเห็นเห็นทําทไมเ็าสวยแบบนั้นเราไม่สวยเลยนะเราพอเราอ้วนไปเนี่ยเครียดเรียดเทียบทุบก็เรียดเทียบะะนะไม่แต่รับปฏิบัติธรรมผู้ฝ่ายธรรมก็เป็นนะ อาจารย์ธมาไ ป, ปบรรยายที่สวนวกกรุงเทพบรรยายเสร็จตรมาก็บอกว่ามีหนังสือมาแจกแต่ว่าหนังสือที่เตรียมไว้เนี่ยมันไม่พอคนที่บมาฟังเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าก็จะมีบางคนที่ไม่ได้แล้วธรรมาก็หยิบหนังสือมากองหนึ่งนะกองเท่าหนังสือเล็กเท่าฝ่ามือเนี่ยนะคนก็รีบ ม, มาเอาอ น, นะคนที่ได้ก็ดีใจ พอหมดพึ้งแรกไปมาก็พึ่งที่สองมาตอนนี้เล่นขนาดใหญ่หน่อยนะคนก็มาเอากันนะเป็คนที่ได้เล่นเด็กรอบแรกนะหลายคนเสียใจมีคนมาต้องมาอขอเปลี่ยนได้ไหมเอาเล่นย่างไม่ทันได้อ่านเลยลรู้ได้ไนงะว่าเล่นใหญ่หรือว่าเล่นเล็ก น, นะทุกแย่ทุกทีเชื่อว่าได้เล่นเล็ก ตอนนี่ตอนแรกอ่ะดีใจเพราะว่าฉันได้คนอืนไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเห็นคนอื่นก็ได้เล่นใหญ่เสียใจเนี่ยเรียกทูกเขาเปรียบเทียบนะและเป็นอย่างนี้กันทั้งประเทศทั้งโลกเลยนะจนข้าเขามีเขามีการทำวิใจใัยมุมปกนะ้นเาบอกว่าคนที่อันนี้ก็ทําในมลนอย น, นัย่นอเมริกาเพราะว่าคนที่มีเพื่อน คนที่มีเพื่อนหรือเครือข่ายที่รวยกว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติ 20% ใครๆอยากมีเพื่อนรวยใช่ไหมแต่ปกอกว่ามีข้อเสียนะเพราะว่าถ้ามีเพื่อนรวยแล้วรวยกว่านะมันจะทุกข์เขาไม่ได้บอกว่าคนเขาไม่ได้บอกว่าคือคือแม้กร่ทั่งจะเป็คนคนที่รวยนะ เป็นเศรษฐีนะแต่ว่าถ้าไปคบกับเศรษฐีที่รวยกว่านะเช่นเราร้อยล้านใช่ไหม <S <S แต่เราคบเพื่อนที่มีเงินพันล้านเนี่ยไอ้คนนี้ร้อยล้านเนนะมีโอกาสไปถูกวัดใจมากกว่ามากกว่าคนทั่วไป 20% สิบปอร์เซ็นตนะแต่ที่บาถ้าสมมติมว่าขายที่บางคนเนี่ยซึ่งมีเงินแค่ล้านหนึ่งนะแต่ว่ามีเพื่อนซึ่งไม่ค่อยร่ารวยเท่าไหร่นะกับจิตใจเป็นกปกติ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์เนี่ยนะมันเกิดเพราะการเปรียบเทียบมากเลยทุกใจนะนเพราะนี่เราต้องจะปล่อยวางความการเปรียบเทียบต้องรู้เท่าทานันจิตในลำมันชอบเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าคนที่มีดีกว่านี่คือแบบว่าทําไมเนี่ยสันโดรหรือสันติธรรมถึงเกิดขึ้นในย่าหรือปัจจุบนัน คุณเ้าสอดสันโดดคือความพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ถ้าเราไม่ต้องการจะทุ่เพราะการเดือดเทือให้ท่องคาถาเนี้นะพอใจสิ่งที่มียดีสิ่งที่ได้คุณได้เลยมาพอใจถ้าคุณไม่มีไม่ท่องคาถานเนี้ยเวลาไปช็อปปิ้งก็จะทุกข์นะไปช็อปปิ้งเนี่ยนะอย่างมีรายนึงเนี่ยนะไ ป, ไปไปไลฟ์บาซรา ไปเจอย่าม เ, าเขาเนี่ยห้าร้อยถ้าต่อจนได้สามร้อยก็ดีใจนะกลับมาโ ร, รงแรมจะอวดเพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยก็ซื้อย่ามที่นั่นเหมือนกันนะห้าร้อยแต่ต่อได้เหลือสองร้อยคนที่ต่อได้ส0มร้อยเป็นไง เศร้าเลยนะเศร้าทำไมไม่ต้องเศร้าก็ซื้อได้ของถูกเหมือกันถนะ้าสวยด้วยใช่ไ <c oughs> แต่เพราะไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ได้สิ่งที่ได้จนะะเป็นกําเยอะนะเพื่อว่าซื้อของถูกๆได้ได้ของดีแล้วของถูกมานะแล้วแล้วเศร้าเสียใจเพราะว่าคนอื่นเขาซื้อถูกกว่าเนี่ยนะนะ ทำใจให้ปกติปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางที่สําคัญนะก็คือการปล่อยวางการยึดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือพูกง่ายๆปล่อยวางความหลงในตัวตนที่สาคัญมากที่สุดเลยเนี่ยเป็นเป็นวัตใจของการภาวนาในพุทธศาสนาเลยเพราะแต่ใดที่มีความยึดในตัวตนอยู่เนี่ยนะคือยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันจะทุกข์ ควาทุกข์จะรออยู่ข้างหน้าทันทีแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรายึดเป็นเราของเราเนี่ยมันจะไม่มีทางเป็นของเราได้เลยมันจะต้องเสื่อมไปเนี่ยต้องหายไปและทุกวันเนี่ยคนเราทุกเนี่ยโดยพื้นฐานถึงที่สุแล้วเนีคือทุกข์าะมีความหลงทุกข์าะยังยึดว่าเป็นเราของเราเวลาป่วยเนี่ยทําไมป่วยไม่ป่วยกายฉะนั้นป่วยใจด้วยเพราะไปยึดว่าร่างกายนี่เป็นของเรา ไปเยอะเป็นตัวเราทรัพสมบัติก็เหมือนกันรั่ ก, ก็เหมือนกันพอพิยพยเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันทุกข์มากเลยเพราะว่าเมื่อสิ่งเรานั้นแปลเปลี่ยนไปตามหลักอนิจจังเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันมันต้องมันมีความบีบคั้นภายในที่มันต้องเสื่อมสลายไปมันกป็นสิ่งที่ทนได้ยาก น, นี้เราทุก ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยพอเราเลือกเป็นเรื่องของเราเนี่ยเราเตือยตัวทุกได้เลยเพราะว่ามันจะไม่เป็นไปตามใจปรารถนาของเราเราปวดเราเมื่อยอยากให้มันไม่ปวดไม่เมื่อยเราสั่งมันไม่ได้เราปวดท้องสั่งว่าอยากปวดได้ไหมมันก็สั่งไม่ได้ใจเราก็เหมนกันรนาะบอกอย่าคิดอย่าคิดฉันจะนอนแล้วสั่งมันได้ไหม มันก็ไม่ยอ ม, มก็ยังไม่เลิกคิดกลุ้มหัวกลุใจเพราะความคิดบอกให้มันหยุดคิดมันก็ยังยคิดอยู่ความคิดนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าอีกนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรมีใครที่จะบอกได้มาว่าอีกนาทีข้างหน้าจะคิดอะไรบอกไม่ได้นะคนที่่งสมาธิเนี่ยก็จะรู้ดีเลยนะว่าอยากจะให้มันสงบลอเวลาเนี่ยไม่ถึงนาทีแลวมันคิดละ ก็คิดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกข์เราห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้แล้วเราจะบอกเราจะรู้รวมเ้ามันจะคิดอะไรเราก็ไม่มีทางรู้แม้กระทั่งหนึ่งนาทีข้างหน้าในความคิดของเราเนี่ยนะอันนี้คือความหมายมันเม็เป็นเราไม่เป็นของเราถ้าเราถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะไม่ยิดว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยเวลา เสด็จลายเออมันก็เป็นธรรมดามาั่นแหลเวลาร่างกายเจ็บปวยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยมันทําได้นะแล้วนี่คือสิ่งทีเจ้าสอนเดิมคือว่าเมื่อป่วยกายก็ให้ปวยเมื่อป่วยก็ให้ ป, ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยใจปวยเพราะอะไรใจป่วยเพราะไปยึดว่าร่างกายยึดเป็นรอของเรานะ พอร่างกายนี้จเป็นไปตามใจปารธนาเนี่ยมันก็เกิดความทูกขใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ยึดว่าร่างกายจะเป็นราของเราเพอ ร, ร่างกายป่วยร่างกายเจ็บมันก็เป็นสัพทว่ากายป่วยกายเจ็บใจไม่ได้ปวดใจไม่ได้ทุกข์ด้วยหลวงปบุตดาเนี่ยท่เคยท่านเคยไปผ่ า, าตาัดเอาเนื้อในไตเอาเนื้อในตายหอ่อ ผาเสร็จสิบห้าทีท่านก็นบอกหมอว่าก็ยังชั่วแนละ้วไม่เป็นไรนะหรือท่านจะก ล, ะลับก้อนนะหมอก็แปลกใจเพราะว่าคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยก็ยังปนก็ปวดหมอพยาบาลก็เลยถามหลวงปูว่ า, วามลวงู่ไม่ปวดเหรอมหนวงู่ว่าปวดเสร็จทำไมจะไม่ปวดหน้ากลางฉันของของหลวงปู่ก็ก็ไม่ไต่คนเดียวหรอก แต่ใจไม่ได้ปวดด้วยใจไม่ได้ปวดด้วยสมบูรณ์แบบมาูรณกันแต่พวนเราเนี่ยพอกายปวดนั้นก็จะรู้สึกว่ากูปวดมันจะไม่ได้แค่รู้สึกหรือเห็นว่ากายปวดนั้นก็จะว่ากูปวดกูปวดมันมีกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดตลอดเวลาไอ้ปูไอ้กูผู้ปวดเนี่ยมันเป็นการปรุงขึ้นมามาถูกกรุงขึ้นมาก็ความหลงแต่เมื่อตาที่เราหยุดปรุง เพราะรู้ว่ามันมมีตัวปู่ของปูเนี่ยถึงเวลากายปวดก็ปวดแต่กายใจไม่ได้ปวดด้วยเพราะไม่มีความรู้สึกสำคัญมาหมาว่าปู่ปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นหัวใจเลยนะของการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาการจะให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีเนี่ยก็ดนะีแต่ว่าเราต้องฝึกจิตของเราจนกระทั่ง เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แล้วเมื่อนั้นเหี่ก็จะปล่อยวางเมื่อเห็นความจริงว่ามไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนได้ก็จะไม่ยึดอะไรเป็นตัวเป็นตนอิ่ต่อไปอันนี้เป็นความจริงที่เข้าใจได้ยากแต่ว่าฝึกได้จากการเจริญสติจากการฝึกปล่อยวางในชีวิตประจําวัน ผู้จากก่าตัดว่าทำทั้งครัวนี้ไม่คนยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งคำสั่งผู้จา่าในช่วงก็เปรี่ยนว่าเหมือนกับแพรที่ใช้ข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่ต้องแบกแพรขึ้นไปด้วยแต่วพวกกระต่ายเนี่ยแม่กุศลธรรมก็ไม่คนยึดมั่นถือมัน่นและนักภาษาอกี่กับกุศลธรรม แต่พี่พว่าความไม่รู้เนี่ยเราถึงยึดมั่นถือมัน่นเราได้ยึดมั่นถือมัน่นเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นทรัพย์สิสเนเงินทองอาหารที่อร่อยความสุ ด, ดสบายลูกคนรักโอเคในะสิ่งที่ให้ความสุขนัมันและยึดมั่นเนี่ยก็ยังมา่าก็ยังเข้าใจได้นะโทรศัพท์เนี่ยมือถือเนี่ยเพราเดี๋ยวนี้มันมีความซับพิเศษมากนะคนก็เลยติดมันมาก นนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่แปลงไหมแม่ก็สร้างสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราอะเราก็ยังยึดมันไปความโกรธความเปลี่ยนความรู้สึกผิดความเศร้า ม, มันดีที่ไหนแต่ทาไมเรายึดมันเวลาเราโกรธเนี่ยนะเพื่อนมาบอกว่ า, วาให้อภัยก็ให้อภัยเข า, าเรากลับปวดเพื่อนว่าจะมาบอกให้เราให้อภัยทำไมมือนก็ว่าเราเนี่ยหวงแหงความโกรธเราอยากจะ เก็บความโกรธไว้ทนานาและความโกรธมันดีตรงไหนทำไมการแสบใจถึงเป็นเรื่องที่ยากเพราะเราไปทิ้ความโกรธเอาไว้แล้วี่ความโกรธนี่มันเผาลงใจความเศร้าก็เหมือนกันนะเวลาเศร้านี่นะเวลาใครเศร้าเนี่ยนะไอยากไปไหนนะจะจมอยู่ความเศรา้าเวลาเพื่อนมาชวนใครมาชวนไปเที่ยวไปไปนะ กูจะขอจมเหงื่อความเศ้าเวลาเศ้าเนี่ยเราชอบร้องเพลงนะฝากร้องเพลงอนะไรเราชอบฟังเพลงสนุกฟังเพลงมาร์สนะไม่นะเราชอบฟังเพลงเศร้าเพื่อจน้อเศร้าไปเรื่อยๆใช่ไหมความเศร้ามันดีตรงไหนทํา ไ, ทไมเราไม่ยามทําไมเราไม่คิดที่จะดื้อจิตเราจากความเศร้ามีเพื่อนก็นมาคนน่นาจะไล่ความเมื่อกี้สิบปีที่แล้วสมัยที่มันจะไม่มีดีเมวนะ เขาส่งจดหมายกันเธอก็ได้จดหมายจากชายที่เธอรักแต่ชายคนนั้นเนี่ยเพื่อนเป็เพื่อนชายก็ไม่ได้ดีใจให้เธอเธอ่าจดหมายเธก็เศร้าพอดีช่วงนะั้นวัดขณะนั้นเองก็มีเพื่อนเนี่ยฝูงใหญ่เนี่ยกลุ่มใหญ่มามาที่น า, าว้าก็ต้องมากดจีนมาเรียกให้เธอนเนี่ยไปเที่ยวกันเธอมันมีทันทีเลยนะที่ได้ยเสียงเพื่นอนมาชวไปเที่ยว ในใจนี่ก็นึกนะเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็งนคนมาขัดขวางอยู่เ <c oughs> วลาจะทุกข์ยังนคนมาขัดไฟเลยทำไมอ่ะไม่อยากทุกข์นีึจมอย่างความทุกข์เลยมันแปลว่าความทุกข์มันดีตรงไหนความเศร้าดีตรงไหนแต่ทาไมเราไปคิดมันนี่เพราะความหลงที่เพราะความไม่รู้ตัวก็เหมือนกับก้อนหินนั้นก็อนินมันหนักแล้วเป็นแบดทําไมตอนที่มันหนักก็ยัง ก็ยังแบ่งมันก็กยังบ่นว่าหนากักหนักหนักแต่พอพ อ, พอมีคนบอกให้ปล่อยก็ไม่ยอมปล่อยก็ออยังบ่นว่าหนากักหนักหนักนะพระจ้าเปรียบนะเหมือนเหมือนกับคนที่วิ่งพล้าดเลยนะแล้วก็บอกว่าร้อนที่บอกว่าร้อนยมือก็ถือคบไฟนะซึ่งมันเต็นจะไหม้มือแล้วแล้วก็มีคนหนึ่งเนะี่ยมับอกว่าปล่อยสิคบไฟปล่อยในะ ก็ไม่มีให้ปล่อยแล้วก็ยังวิ่งผ้าบอกว่าร้อนร้อนรอนมีบางคนทั้งที่ยอมปล่อยพอปล่อยพวกไฟเนี่ยก็หายร้อนแต่ส่วนใหญ่ก็ยังวิ่งผ้าอันนี้ก็คือคนส่วนใหญ่นะทุกวันนี้หรือเมื่อสมัยไหนก็ตามเนี่ยทุกเพราะแบกทุกเพรายึดแต่ก็บอกให้ปล่อยก็ไม่ยอมปล่อยแล้วก็ปวดวอร์ไว้ว่าทุกทุกุ ทุกข้อปัญหาแต่ที่จริไม่ใช่ทุกข้อเป็นแบบปัญหาทั้งๆเอาไว้แล้วเนี่ยให้เราเข้าใจดีนะเรื่องการปล่อยวางอันนี้ปล่อยวางคือปล่อยที่ใจนะส่วนจิตการเป็นเรื่องการทําจิตส่วนการทำจิตก็ยังทําต่อไปรูกไม่ใช่ของเราแต่เราก็ควรจะดูแ ล, ลรูปเอาใจใส่รูปแล้วถ้าเราทํานี้เนี่ย นอกจากว่ามีความสุขแล้วนะความสัมพันธ์เรากับลูกก็ดีขึ้นเมื่อตอนปีนี้เพื่อนก็มาพบปฐมมาที่นานนะงานศพงานศพของพ่อเพื่อนก็เป็นเป็นโอกาสที่ได้มารวมมิตรัวเพื่อนเก่าๆสมัยเรียนทุกหนังสือด้วยกันเพื่อนคนนี้ก็เรียนหนังสือปฐมามาโรเรียน้วยกันตั้งแต่เมื่อสักสี่สิห้าสิบปีที่แล้วมาเสร็จก็มาบอกขอบขขอบคุณ บอกพูดเรื่องอะไรก็บอกว่าเนี่ยแต่กว่านแมีความทุกขมากเลยเรื่องรูปแก เ, เป็นนักธุรกิจนะธุรกิจแกระดับพันล้านค น, คนเก่งขยันแต่ว่าขัดใจลูกมากเลยความภูมิใจลูกเพรูกที่แม่ออนไหนเลยคือรูกแม่เทียมของแก่แล้วแกก็จำที่จำชัยแต่วแกก็ทุกข์นทั้งใจได้มาฟังคำบรรดาห์มาตร ม, มาเรื่องการปล่อยวางเรื่องให้เห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรืนของเราเลยนะแลม่ได้ฟังลูกลูกนี่แต่ ว, ว่าแต่ เลียงแต่แต่ตัวนะ่รับเลี้ยงตัวยางเลี้ยงไม่ได้นะอยากจะให้อ้วนมันก็ดังของอยากจะให้มันขอมมันก็ดันอ้วนนะเีนี้นเด็กเนี่ยอ้วนกนันเลยลูกพ่อแม่จับยาให้ลูมๆๆนะก็าำอ้วนลูกก็ทาไม่ได้ดงั้นเดี๋ยวว่าอะไรนะเี้ยงแต่ตัวยังเลี้ยงไม่ได้นะเดี๋ยว่าให้มันพูด เ, เลี้ยงเลนะี้ยงใจนพอได้ฟังเนี่ยใจก็เลยปล่ อ, อยวางเออเราไปนทีรงลูกมากไปปล่ อ, อยวางลูกไม่ใช่ของเราวก็แปลว่า แกพอทำาล้แก่สบายใจแล้วที่แกเซอร์ไฟล์ือว่าความสัมพัน์กับลูกดีขึ้นลูกเนี่ยมาบอกกับพ่อวันเนี่ยพ่อเปลี่ยนไปอย่างที่พ่อฟังลูกมาขึ้นพ่อนี่ก็งงนะพ่ อ, พ, อพ่อไม่ได้ทั้งใจอะไรมากพ่อคิดแต่ ว, ว่าก็ปล่อยวางเรื่องลูกก็ไม่ได้จำที่จำชายลูกแต่ว่าดูแล้เอาใจใส่ลูกเหมือนเดิมแต่ถ้าสัตปฏิบัติลมีผลต่อท่าที ก็คือทําให้ฟังลูกมากขึ้นพอฟังลูกมากขึ้นลูกมาฟังพ่ออันนี้มันมันมันเป็นหลังง่ายๆเนียแจ็คพ่อใหญ่ให้ลูกฟังพ่อนะลูกก็พ่อก็ต้องฟังลูกก่อนแจก็เลยมาขอบคุณว่าเนี่ยทําให้ความสมาตร ร, รูปดีขึ้นและเรื่องการปล่อยวางคือปล่อยทิ้ใจในะส่วนภารกิจการงานการทาอยู่นี่มี นะก็ยังต้องชำระแต่ว่าใจใไม่ทุบไม่แตบกบปัญหามีต้องแก้แต่ว่าใจไม่แก บ, บปัญหาร่างกายไม่ใช่ของเราจริงทำมันเจ็บป่วยก็ต้องดูแลนะเอายามาช่วยรักษาไม่ใช่ว่าร่างกายเป็นของเราก็เลยปล่อยร่างกายนี้นะนี่เราไม่ทำจนะิตนะพุทธศาสนาสอนให้ทำจิตและทำจิต ทำจิตเนี่ยก็ทําได้หลายอย่างหลายอย่างนี้ต้องควรทาคือปล่อยวางไม่ยึดมัน่นเปว่าเป็นของเราเป็นของเราแต่ทํากิตยังต้องทําต่อไปตามเหตุตามปัจจัยบ้านหลังคาลูกก็ต้องซ่อมแต่ว่าใจปล่อยวาง น, นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะเน้นว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยนอกจากการทําความดีการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็อย่าลืม เรื่องภาวนาซึ่งภาวนาในที่นี้หัวใจหมายถึงการปล่อยวางจุดหมายสูงสุดคือปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนไอ้ที่เราเจอที่ครูบาอาจารย์สอนเรื่องการทําซอนที่เราหักเพื่อนี่ทั้งนั้นเนี่ไม่ใช่เพื่อจะได้แต่เพื่อการปล่อยแล้วถ้าปล่อยแล้วใจมันจะสบายใจมันก็เป็นสุดและนี่คือความสุดที่แท้ที่เราชาวพุกควนจะรู้จักและเข้าถึงในชีวิตน แล้วก็พอสคมควรเดีเ๋ยวเวลาอาจารย์กับจะให้พญาธิธรรมถามนะครับอาเชิญครับแต่เลยเท่านะครับถ้าต้องการถามก็เขียนใส่กระดาษมาครับเจ้าหน้าที่พญาธิธรรมท่านาาใดต้องการกระดาษก็ยกมือนะครับปากกาก็ยกมือครับอันนี้แม่ทุกท้านถามสดนะครับเพราะว่าการทีมีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็มีการบันทึกเทปด้วยนะครับเสียงของท่าน คนที่ทรงธรรมบ้านได้ยีคนคงาใจใ ห, หมายของพิธีกรและความใยม่ข อ, ของกระอาจารย์นะครับเก็บมาแล้วนะครับคือผมจะถามให้นะครับคำถามของท่านก็จะเป็นประโยชน์กับผู้สรงธรรมบ้านด้วยนะครับ อาจารย์คำีท่านแม่ถามมานะครับเป็นคนโกรธง่ายมากพอรู้ตัวอีกทีโกรธไปแล้วแจกแก้อย่างไรครับรู้ตัวว่าโกรธไปแล้วก็ยังดีนะมันรู้ตัวบ่อยๆมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นความโรกรธเนี่ยต้องอาศัยความรู้ทันนะรู้ทันอนะไรรู้ทันความโกรธหรือ ว, ว่ารู้ตัวว่าโกรธจะใช้วิธีอื่นเนี่ยก็ไม่ดีเท่า เคยมีคนถามลูกปูดูนาตุโลนซึ่งเป็นลูกศิษย์ด้วยแรกๆของผมไหมก็ถามว่าลูกปูทําไงตัดความโกรธให้ขาดลผมบอกว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รูทันมันเมื่อรุทันมันก็ดับไปเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อมีความโกรธเนี่ยอยำหมั่นรุทันให้เไวๆนะแต่ไม้เนี่ยมันจะรูดช้า ก็คือวอยไวไปแล้วเนี่ยถึงค่อยรู้ก็ยังดีนะเพราะถ้าหากว่าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยการรู้ทันความมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นบางทีรู้ทันในระดบที่กำลังโปรธนะก็ทำให้อ่าไม่พูดไม่ทำอะไรไปในทางที่เสียหายแล้วต่อไปมันจะรู้ทันจนกระทั่งว่าเพียงแค่เกิดความหมุดมิดแค่คุณเครื่องก็จะรู้ทัน ปกติเนี่ยคนที่รู้ไว้รู้ทันรู้คนที่โกรธไว้นี่นะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าชอบเก็บสะสมความโกรธเอาไว้ชอบเก็บสะสมความุ่นเคืองเอาไว้มันก็เลยปรีดเนี่ยอาการปรีดเนี่ยคืออาการที่ไปเก็บสะสมความไม่พอใจเอาไว้แล้วความีอะไรมากระทบหน่อยมันก็ปรีดขึ้นมาเลยอีกส่วนหนึ่งเกิดจาการที่เราปล่อยใจให้ ปล่อยใจไปตามอารมณ์โกรธบ่อยๆเรียกว่าตามความโกรธเราตามความโกรธอยู่บ่อยๆเนี่ยก็เลยโกรธไปหลายคนเนี่ยกร็รบกวนไปก็เลยหันมาใช้ที่ตรงข้ามพื้นตัน้งตั้งความโกรธกดค่มความโกรธอันนี้ก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะเกิดการเก็บกดและการฟีดแตงกจะเกิดขึ้นง่ายเหมือนกัน ให้เราใช้วิธีทางสายกลางนะันคือไม่ตามแล้วก็ม่ตาให้เรารู้ทันแล้วคุณต้องอดทนนะถึงแม้ว่ารู้ว่าโกดเมื่อโกรไปแล้วเนี่ยอย่าเสียใจอย่าทพระแท้ให้กำลังใจตัวเองหมายว่าทำต่อไปมันรู้ทันต่อไปนะแล้วคุณจะทำได้ดีขึ้นแล้วก็เมื่อโกรไปแล้วเนี่ยอไปโกดตัวเองนะบางทีกดคนอื่นก็แล้วมากดตัวเองทไมเราโกรธ ให้ภัยเุยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเบ่อยเรื่อยบ่อ ย, ออยแล้วคุณจะเห็นความก้าวหน้าแต่อย่าใจร้อนนะพระถ้าใจร้อนเนีย่ยจะเลิกกัรพันแล้วก็สุดท้ายก็เสียท่าความโกรธแผ่แม่ตาเลือดแผ่แม่ตาไปบ่อยแต่แผ่แม่ตาให้เขาหรือไม่อะกันก็ให้เราคิดว่าเออมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ จริงๆเนี่ยให้เรายึดนะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยมันไม่แย่มันไม่ร้ายก็บบกว่าเราเรารู้สึกยังไงกับสิ่งนั้นเหมือนที่เรามาบอกเสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือการที่เราไปยึดติดกับเสียงนะั้นเพราะนั้นเนี่ยให้กลับมาดูใจอย่าไปโทษคนอื่นกลับมาดูใจให้เาไปบอนหลวงพ่อชายกลพูดนะว่าเนี่ยเวลามีเวลามีมีหลุมนะและ เ, เอาเรามือล้วงก็ไปในหลุมไม่ถึงนะร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันก็จะบอกว่าหลุมมันลึก ไม่มีใครที่บอกลเลยว่าเป็นพอมือเราสร้างแขนเราสร้างใช่ไหมคือโทษตัวตลอดเนี่ยความโกรธก็จะเห็นนี่คือโทษข้างนอกส่งจิตขอางนอกถ้าเรากลับมาดูใจบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราโทษข้างนอกน้อยลงเรากลับมาดูใจระวังใจเรามากขึ้นครับคำถามท่านที่สองครับอาจารย์เวลาปฏิบัติทําธรรมใหม่เราจะปฏิบัติเองที่บ้านไปเรื่อยๆได้ไหม โดยไม่ต้ปที่วัดหรือสถานที่ต่างๆชอบข่าได้ทําที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันต้องทําที่ใจของเรานะทุกมันต้องแก้ที่ใจเราและใจเราอยู่ไหนใจเราก็อยู่กับตัวนะอย่าไปหวังว่าต้องไปแก้ทุกที่นั่นที่นี่เพียงแต่ว่าต้องอาศัยสิ่งวัตรล้องเท่านั้นเองที่ไปที่ไปวัดที่นี่หรไปวัดก็สิ่งวัตรลองในวัดเนี่ย น่าจะเอื้อให้ใจสงบ น, นะน่าจะเอื้อให้จิดเนี่ยนะมันนิ่งมากขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าวันไหลวัดก็วุ่นวายแล้วเกินนะเพราะว่าคนมีปัญหาผาสมผวอยู่ด้วยกันเนี่ยแ <c oughs> นะล้วสังโทษไปทั่วบ้รนมาคุณปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ไหนก็ได้ขอให้ทำที่ใจก็แล้วกันเนี่ยสำคัญตรงนี้ สิ่งว่าร้อนเนี่ยเป็นตัวช่วยเรียกวเป็นสัพพัยนะแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีเวลาไม่สามารถจะปลี่ตัวไปวัดต้องอยู่บ้านต้องเลี้ยงลูกต้องดอูแลพ่อแม่คุณก็ปฏิบัติที่บ้านนั่นแหละนะที่จริงเนี่ยนะการเจริญสติเนี่ยมันทำได้ทุกที่ทุกเวลาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะคุณล้างหน้าอย่างมีสติ คุณถู้ฟันอย่างมีสตนะิคุณเกที่นอนอย่างมีสติคุณกินข้าวด้อควา ม, มรู้สึกตัวคุณทําครัวนะอย่างมีสตินี่ปฏิบัติทําแล้วเนะี่ยพระเจ้าบอกว่าน่ยให้ทำควา ม, มรู้สึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าก่อนไปข้างหลังเวลามองไปข้างหน้าหรือเดียวซ้ายแนขวาเวลาคล้องผ้าเวลาส่งบาตเวลาสะพายนะเวลาเวลาสะพายบาต เวลาดื่มกินลิ้นเคี้ยวอุจจาระปัสสาวะให้ทำความรู้สึกตัวคู่ขาเหยียดขา เ, าเวลายืนเดินนอนนั่งหลับให้รู้สึกตัวพวกนี้เนี่ยมันทำที่บ้านก็ได้มันทาที่ว่าเวลาคนไปทำ ง, งานกูก็ทำ ง, งานด้วยด้วยสติเวลามีอะไรกมากระทบทางตา ใจกับเพื่องก็รู้ทันนะเห็นความดีใจเห็นความไม่พอใจรู้ทันความยินดีๆๆร้ายทั้งหมดเนี่ยทําที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้เท่ั้ครับปัญหา้นต่อไปครับอาจารย์กิเลย์ ย, ยาว ก, กังการาและละเอียดต้องแก้ด้วยธรรมะข้อใดครับเคยมีพระลามู่บอกว่าต้องแก้ด้วยสีสมาธิปัญญาไม่ทราบว่าตัวไหนใช้แก้ตัวไหนเจคค้าค่ะ กิเลสยันยามนะก็ใช้ด้ยก็เนี่ยคือโลภะตัวสัมผัสมันมีหลายขั้นนะครั บ, รบในขั้นยันยามนี่ก็คือมีสีก็คือว่าสีเนี่ยมันช่วยทําให้กิเลสเนี่ยแม้ังมีในใจเนี่ยขึ้นโกรธมันก็คุมให้กายวาจาไม่ไปทํำร้ายใครโรคอยากจะขโมยนะสีก็ก็ควบคุมให้ไม่ไปขโมยใช่ไหแต่ว่ามันยังมีในใจนะเพียงแต่กิเลสมันไม่ไออกเลธิเพราะว่า ไปควบคโมวยคราวนี้เราก็ต้องทําให้มันให้มันคลี่คลายต้ใช้สมาธิสมาธิก็เหมือนกับเป็นตัวที่คอยข่มคอยระงรับสงบกิเลสสมาธิทำให้กิเลสสบงบลงนะแต่ยังไม่ดับปัญญายทําให้กิเลสมันดับนะคราวนี้ถ้าพูดให้มันเป็นวิชาการหน่อยนะกิเลสอย่างยาบเนี่ยน ะ, ะกิเลสอย่างลนะเอียดเนีก็คือสัโยชสด สังโยชน์สิ่นะสังโยชน์ิก็ม mm ีอะไรบ้างมันไม่ใช right? ่โลภะโทสโมหะธรรมดาธรรมดานะมันก็เช่นเช่นสกายทิฏฐิความยึดติดว่ามีตัวมีตนว่าร่างกายจิตใจ็นตัวมีตนศิลปตงปรมาสความไปหลงยึดติดในพิธีกรรมต่างๆนะแล้วก็ในศิลป์ว่าจะบริสุทธ์เพราะสีความคิดว่าจะบริสุทธ์เพราะสีนี่มันก็ผิดแล้วนมันเป็นศิลปะต่ปรมาสแต่เรื่องดีนะที่มีศีใช่ไหมวิกฤจวิจิตรฉาความอสงสัยนะ รูปราคะอรูปราคะนะอุทธัาจจความพุ่งสร้างมานะความถึงตัวนะเหล่านี้เนะี่ยนั้นมันก็คือสังโยชน์นะที่มาทําให้คือมันไม่ใช่เป็นกิเลสอย่างหยากแต่ว่ามันเป็นตัวที่ทําให้ทําให้ทําให้ไม่สามารถที่จ ะ, ะหลุดพ้นจะกความทุกข์ได้สังโยชน์เนี่ยมันเป็นกิเลสที่มันละเอียดอ่อนนะซึ่งแม้กระทั่ง อแล้วถ้าพระโสดาบันเนี่ยพระสกิาเนี่ยท่านก็รอดได้แค่ห้ายังมีข่าที่ยังรับไม่ได้นะเช่นอรุป ร, ราคา้าเช่นมารนะเช่นจุทธจักเช่อนอวิ ช, ชานี่อันนี้เป็นกิเลสอย่า ง, างละเอียดนะซึ่งเฉพาะพระอรหันที่จะรับได้ตรงนี้ต้องใช้ปัญญายอย่างเดียวเลยครับคำถามข้อต่อไประถามจ่าความหวานร่ำรวย หวาดกลัวได้ความกังวลจะเป็นกิเลสหรือไม่ก็แก้ไขอย่างไรครับมันทุกอย่างมีมีกิเลสเป็นพะื้นฐานนะกิเลสตัวนัึงคือความยิดว่าเป็นเรืเ่องของเราเมื่อเราดว่าเป็นเรื่องของเราเราก็กลัวจะสูญเสียเรากลัวจะพัดพราดไอ้ความกังวลความวิตกเนะี่ยนะพื้นฐานก็มาเคือความยึดติดในตัวตนว่าเป็นเรืเ่องของเรา เราควจะสูญเสียเราควจะเจ็ บ, บ, บเราจะป่วยเราควจะสักพพะสูญเสียเราัวตายพวกนี้มันมีลางกามจากความที่ว่ามิจเป็นเราไของเราและเราไม่พร้อมที่จะให้มันแปลเปลี่ยนไปเป็นอื่นหรือว่าพัฒนาไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องถอนกิเลสออกไปถึงจะถึงจะหมดถึงจะดับความวิตกกังวลในขณะที่เราเป็นกุตุชนยังมีกิเลสอยู่เนี่ยแต่เราสามารถจะ ระ ง, งับความวิตกกังวลได้ด้วยสติหรือด้วยปัญญาในระดับพื้นๆใช่ไหสติคือว่าสติรู้ทันรู้ทันความความวิตกตไม่ไปอยู่กับอนาคตพอใจไม่อยู่กับอนาคตไปปรุงแต่งในทางร้ายก็มีสติรู้ทันก็วางหรือไม่แล้วก็มีปัญญามองว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละมีปัญหาก็แก้ไป หรือมองว่าเออมันก็เสียหายมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ไหมเงินจะหายของจะหายก็ดีกว่าตายอะไรเนี่ยพอคิดแบบนี้เข้ามันก็ทําให้ใจปล่อยว า, อางให้หลงส่วนเพิ่มขึ้นไปคำนำขั้นต่อไปครับอาจารย์ใจที่มีความสุขในการปฏิบัติบางครั้งก็มีแสงสว่างบางครั้งก็เห็นภาพวิสัย แล้วคำหนดตามสิ่งที่เห็นเป็นการปฏิบัติที่ถูกทางหรือไม่ถูกทางให้รู้ทันมันเจเฉยๆเพราะว่าการปฏิบัติที่แท้เนี่ยมันมุ่งที่การบรรู้การรลุใจน้อมนั้นเป็นไม่ใช่ของจริงนะไม่ได้ช่วยทำให้หยุดคนแสงสีงต่างๆนะเนี่ยแม้กระทั่งนิดๆในสวรรค์มันไม่ใช่เป็นจุดหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาคือเห็นความถี่ของกายและใจ<ม>เห็นไตรลักษณ์เพราะนม้กระทั่งแสงสีเนี่ยมันก็ไม่เที่ยง แล้วมันไม่ใช่ของจริงด้วยมันเป็นการแสดงจิตใช่ไหมครับใช่หลวงปู่ดุลย์บอกว่าเนี่ย อ, อาการที่เห็นแต่จริงแต่สิ่งที่เห็นจะไม่จริง<ม>เมื่อมไม่จริงจะสนใจนไปทำไมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาคือการเห็ของจริง<ม>และเมื่อเห็นของจริงก็จะเห็นความจริงคือสัจธรรมเห็นไตรลักษณ์ไอ้ของไม่จริงอย่าไปสนใจนเลยเพราะว่าที่จริงเนี่ยละคร พระัดหนังสตาวอนี่ก็ไม่กินใชครับคำถามต่อไปครับอาจารปลการววางต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาได้เร็วจะทำอย่างไรเจ้าค่ะต้องเอาเร็วเยอะไม่ต้องเร็วก็ได้ตนะ้างทำไปเรืเ่อยๆนะสมัยนีไ้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องเร็วหรอกนะทำไปเรืเ่อยๆนะเพราะถ้าเร็วเมื่อไหล่กินช้านะ เวลาเราอยากถึงที่หมายเล็วๆนะเราต้องรู้สุกว่ามันถึงช้าสังเกตว่าเวลาขาไปนี่มันช้าเลยเกินกนวะ่าอยากถึงนี่ยแต่ถ้าไม่ขากลับมันเร็วนะเพราะตอนขาไปนี่นเราอยากให้มันถึงไวแต่พอถึงแล้วเนี่ยพอกลับแล้วเราก็ไม่ก็สนใจแล้วว่าจะจะถึงช้าหรือเร็ยวยิ่งอยากถึงเร็วก็ยิ่งช้าช้าทั้งในความรู้สึกและในความเป็นจริยงรยกตอย่เช่นอยากถึงที่หมายเร็วเดียดสองร้อย เหียบสองร้อที่ไหวถึงเร็วกับคนที่เหียบร้อยเมใ ช, มใชม่คนที่เหยียบส0งรอยไม่ถึงนะให้ถึงนอะันติเหุ <c oughs> หรือถึงช้าเพราะว่าคนรถเสียรถไปชนสิดเฉียวชนเนี่ยก็ต้องนะ <c oughs> บางทีเนี่ยไปช้าเนี่ยกลับถึงเร็วในความจ ร, <c oughs> จริงและในความรู้สึกใช่ไหมฮะคำถามต่อไปครับอาจารย์ จะขอกราบขอธรรมะสมทายปีเก่าและจะวางใจอย่างไรที่จะรับปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงเคยมีการเทศเรียกว่าธรรมะคู่ระหว่างสุวพโตวรรากับ ถ้าะคุณทำมาอุดมวัดพระเชตุผลวัดโพนนะแล้วคุณทำมาอดมท่า น, นก็พูดว่าพายชนะพ่อพายท่้นพูดเป็นกรอดนะพายชนะพ่อพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าพูดแล้วก็ทิ้งไว้ให้แลก็โตเนี่ยท่านแก้ท่านแก้อย่างนี้ท่านแก่อแกอแกวบอกว่า ก็โซ่ยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไขจะไปไปหวได้ยังไงพ่เจ้า <c oughs> คือปีใหม่เนี่ยท่า น, นก็ครั้งกลางบอกว่าเนี่ยต้องรีบทํำนะรีบไปข้างหน้านะแต่จะไปได้ยังไงถ้าโซ่ยังไมแก้ปัจจัยยังไมไขก็คือว่าทุกคนก็ต้องการความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมปีใหม่ก็อยากให้มันสดใสแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่กับอดีตเราอย่าปล่อยให้อดีมันล่ามใจเราไว้ เรยังไม่แก้ปัญจาที่มันให้เราเป็นอิสระแต่ก่อนเราจะไปได้อย่างไรปีใหม่นี่ น, นนะบางคนหมายแต่ตัวนะหมายแต่ปีแต่ใจยังเก่าเลยยังอยู่เรื่องเดิมยังอยู่กับการ เ, รเดิมของปี58ของปี57ใช่ไะ<ม>ก็คือความสูญเสียความเศร้าโศกความล้มเหลวงั้นปีใหม่นี่นะอย่าให้มันใหมใ่แต่ปีนะอย่าให้ ตัวเราอยู่ปีใหม่เนี่ยใจเราต้องใหม่ด้วย ต, วตัวเราต้องวางอาดีลงนะแล้วก็มองไปข้างหน้าให้เราให้เรามั่นใจว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ว่ามันจะมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเราวางใจอยู่าราวางใจเป็นเนี่ยก็จะพบสุขได้ทุกวันพระเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแนมะ้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบแมะเศรษฐกิจจะขาลง แม้คุณจะตกนะแม้ผล จ, นะจะแรงเนี่ยคุณก็สามารถจะมีความสุขใจได้ความสุขมันอยู่ที่ใจคุณไม่ใช่ที่ราคาคุณนไม่ใช่ที่กระแ ส, สเศรษฐกิจความสุขที่ใจคุณเ <c oughs> น้นรักษาใจให้ดีมองให้เป็นหาสุขให้พบทุกวันตื่นขึ้นมาเนี่ยขอบคุณที่เราอยู่มาหายใจ ทำให้ทุกวันเป็นวันใหม่เป็นวันที่เราสามารถจะเริ่มต้นชีวิตใหม่วางอดีตปล่อยวางความเศร้าความโศกความเสียใจของวันก่อนลงไปให้ทุกวันเป็นวันใหม่อย่าให้เป็นวันเก่ามันวันมันอย่าให้มันเป็นวันใหม่แต่ปฏิทินแต่ใจยังเก่าอยู่คุณทำได้ทุกวันคุณทำได้ทุกชั่วโมง และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกนะับเหตุการณ์เศรษฐกิจเหตุการณ์บ้างเงนเมือนงะคุณก็จะยกจิตให้มันอยู่เหนือสิ่งนั้นได้ก็คือมีความสดมีความแจ่มใสอยู่เสมอนะจาคําของพระเจ้าไว้นะผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะและปีเศรษฐกิจปีหน้เนี่ยเศรษฐกิจมันจะแย่ไงถ้าคุณวางใจเป็นคุณก็จะหาสุขพบนะคุณจะสดใสแจ่มชื่นเบิกบอยูเสมอ ก็ขอให้ได้เราให้เรามีดวงจิตแบบนั้นตลอดปีใหม่ปีห้าเก้าพระเจริญพรครับคำถามท่าต่อไปครับอาจารย์จะทบอย่างไรให้จิตเป็นกุศลได้ต่อเนื่องและยาวนานมันมีธรรมบัตรอยู่หมวดหนึ่งนะชื่อว่าสังวรสังวรเนี่ยความหมายมันคือสารวมระวัง สำรวมระวังเนี่ยหมายความว่าไม้สำรวมระวังที่กายวาจารแต่ท่านเป็นเนที่สํารวมระวังใจไม่ให้อกุศลครอบนำสิ่งที่จะทำให้อกุศลไม่ครอบมาดิจิตใจเนี่ยมีห้อย่างนะสํงวร5ก็คือปฏิโมกสังวรหมายถึงว่าสํงวระระมัดระวังจิตโดยอาศัยปฏิโมกคือสีนะแต่สีเนี่ยก็ยังยังยังไม่ร้อซ ขังติสังวรนสังวรนด้วยความอดทนนะผู้นั้นคือไม่บนนะ่นเพราะถ้าเราแดดล้อนกบนนะรติดก็บนนะี่นะอรุณเข้างำนะแต่ถ้าเราอดทนนะเออช่างอดทนนะไม่บน่นไม่โวยวายนะไอ้โลภไอ้ความมหีความุม่นเ ค, คือโรศราก็มาครอบมันิใจไม่ได้วิริยะสังวรนก็คือว่าสังวรระวังระวมดรบรบระวงัระระระวงรักษาติดด้วยความเพียร อีกสองข้อที่สําคัญนะซึ่งก็ได้พูดมาตลอดนะก็คือสติสังวรสํารวมระวังรักษาจิต ด, ด้วยสติอีกข้อนึงคือญาณสังวรญาสังวรที่พวกเรานี่เราได้ยินเนี่ยคุ้นชื่อนี้มากนะยาสังวรแต่บางทีเราไม่รู้ความหมายมันแปลว่าอะไรนะเพราะเป็นสังวรนที่สําคัญมากคือสังวรด้วยปัญญาก็คือว่าระมัดระวังรักษาจิตนะ ด้วยปัญญาเช่นเห็นทั่วของอกุศลเห็นทั่วความโกรธนะแล้วก็อันนั้นเป็นพื้นฐานถ้าเรามีปัญญาจนถึงขั้นเห็นว่ามันไม่เก่ยที่ยึดมันถือมั่นได้นะไอ้กิเลสเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้งมันก็จะต่ำไปเพราะเห็นนั้นอกุศลก็ไม่สามารถจะเข้ามาครอบความคิตได้นะ แล้วยากสร้างส ต, ติและปัญญาให้เกิดขึ้นให้เกิดส ต, ติสังวรญาณสังวรแต่ว่าอีกสามตัวก็สําคัญถ้าไม่ได้ไม่สำคัญก็ต้องทําด้วยนะแต่ว่าทำสามตัวแรกเนี่ยแต่ขาดสองตัวสุดท้ายสติสังวนญาณสังวรเนี่ย ม, มันก็จะไม่ไปต่อเ น, นื่องมันก็จะสะดุดพรนะพ่ทธบาทนะครับพระเจ้าเรื่องนี้มันเคยมีพรามคนทนะี่สมส ม, สมลูกสิมาลองคุมพระเจ้านะพราภาวรี ส่งอาชิตตาส่งลูก1ิ16สบคนคนเชื่ อ, อชิตตาชิตตถามว่าจะรักษาจิตไม่ให้ทีเลศซึ่งเป็นสุดกระแสน้ำมาท่วมท้นจิตได้อย่างไรจะป้องกัน ร, รักษาไม่ให้ทีเลศซึ่งเป็นสุดกระแสน้ามาไหลท่วมท้นจิตได้อย่างไรพระเจ้าตอบว่าสติเป็นเครื่องข้ามกระแสทีเลศปัญญาเป็นเครื่องตัดกระแสี นะก็เล่นด้วยกันนสติสองวันปะะนัญญาสองวันคำถามขั้นต่อไปครับอาจารย์ขอเทคนิคการย้ายจิตเวลาเกิดทุกขเวทนาทางกายและเคยปล่อยวางใจแต่สังขารไม่ยอมยันเจ็บปวดมากทำไมทำไม่ ไ, มได้ขอเวลาขอวิธีปฏิบัติหมครับคือย้ายจิตก็คือว่าย้ายจิตมาที่ลมหายใจก็ได้ ค, คือ ใหม่เนี่ยอาจจะยากนนในกา ร, ยายกราใช้ยาจิตที่หลอมหายใจเพราะหลอมใจมานละเอียดมันไม่ยามมันก็ความเจ็บความกดซึ่งมันยา ม, มากมันจะมีแรงดึงดูมากกว่าคุณอาจจะต้องใช้อุบายอย่างอื่นเช่นสวดมนต์พะสวดมนต์เนี่ยจิตมันจะไปดูดปวดส่วนนะหรือถ้าเป็นคนแบบโลภนะอาจจะต้องใช้เพลสิ่งข้างนอกถ้าเพลงมันเนือศรทาที่ดึงดูดใจก็เปจดจ่อที่เสียงเพลง ใช่ไหมพอจอยเซ็นเพมก็ลืมปวดแต่วิธีนี้เนี่ยมันข้อเสียคือว่ามันต้องเป็นมันต้องอาศัยสิ่งภายนอกถ้า ม, มีเพลเมื่อไหรก็เสร็จนะครับแล้วต้องพยายามเอาสิ่งที่มันมีแล้วในตัวเราเช่นลมหายใจหรือว่าการสร้างความรู้สึกตัวอย่างเช่นกำมือแบกให้จิตอยู่ตรงนี้นะเป็นต้นหลายคนเนี่ยนะคนที่ป่วยหนากๆนี่นะ พอทุกรร์ทุรายเนี่ยก็ให้ลองมีสติกับการกรรมและแบรก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ก็อย่างกรณีคนของของหมอคนไข้ใ น, นที่จะมาเล่าเนี่ยแกก็ไม่เคยจิตนสติแต่พอการไปใช้ลมหายใจเนี่ยกลับได้คุณหมอประหลาถามคุณท่านตรงนี้ว่าหมอในเมื่อไม่เคยเล่นไม่เคยทำสมาธิมาเลยทำไมนั่งได้นานและทาได้ดีด้วย แกก็บอกว่าแกปกติแกก็มีสมาธิทำงานอาสมาธิทำงานมาใช้กับการทําการอยู่กับลมหายใจมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยของวันนี้เนี่ยมอยู่ทีการฝึกทำไบ่อยทําปบ่อยทำไบ่อยแล้วก็ต้องเรียกเอาอุบายเอาอุบายในการที่จะดึงจิตให้ออกไปจากแอกเวทนาทําปบ่อยเพืจะดีขึ้นครับขอบคุณต่อไปครับอาจารย์ อารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันอารมณ์คืออะไรครับต่างกันอย่างไรครับจริงๆก็ไม่ค่ต่างนะคำ ว, ว่าอารมณ์ในที่นี้เนี่ยมันเป็นศัพท์ศัพท์ศัพทบาลีมันเป็นศัพท์ไทยอารมณ์ภาษาไทยแต่ว่าสิ่งที่ในในใจเช่ในดีใจเสีย ใ, ใจโกรธเศร้าแต่อารมณ์เนี่ยในภาษาบาลีมันหมายถึงว่าสิ่งที่ติดรับรู้ ก็คือตารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คือสิ่งที่ในใจสิ่งที่จิตไปรับรู้ในความคิดไออารมณ์ปัจจุบันเนี่ยในความหมายเนี่ยก็คือเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่จิตไปจดจอ่อรับรู้เพาไม่ได้ตากันใช่ไหครับไม่ไตางกันครับครับ้รับครับครับครับร พระอาจารย์บอกว่าลูกก็ไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราคิดถึงพ่อแม่เป็นของเราอันนี้คิดหมายสำคัประโยคท้ายเลยนะอันนี้คือบอกว่าพอนะาจารย์บอกลูกก็ไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราคิดว่าพ่อแม่เป็นของเราผิดหมาย้าไหมครับไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าถ้าถ้าเราไปยึดต้านมากเราก็จะถูกง่ายง่ายใช่ไหม เออ่ความดีหลายอย่างเนี่ยมันดีแต่กอปยึดมัน่นเนี่ยมันทุกข์ใช่ไหมขึ้นชื่อว่ายึดมั่นถือมาแล้วเนี่ยแ ม, แม้จะเป็นสิ่งที่ดีก็ทุกได้เมื่อมันแปลเปลี่ยนไปใช่มเพราะนั่นประเด็นนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดหรือไม่ผิดแต่ที่ว่าจะทําให้ทุกข์หรือเปล่าใช่ไหม แต่การไม่ยึดพ่อแม่การที่ไม่ยึดพ่อแม่ว่าเป็นเราเปของเราเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีใช้กิเลสกิเลสเป็นข้ออ้างพ่อแม่ป่วยนะทำงานหนักลําบากก็บอกเออพ่อแม่ไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราก็ไปเที่ยวสนุกสนานไป <c oughs> รู้ไม่แนละ้วก็เราก็ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมไยให้พ่อแม่ทุกไปพ่อแม่ไม่ใช่ของเรา ที่มันมันมนนนะันอ้างนะทิเรนต์มันอ้างคนที่จะมีสิทธิ์พูดแบบ น, นี้ได้เนี่ยก็คือคนที่โดนดา่าด่าพ่อรอดแม่แล้วไม่ทุกเนี่ยเพราะว่าเออมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือว่าถูกตีหัวแล้วไม่ทุกเนี่ยนะไม่โกรธเนี่ยถ้าทำนี้ได้นะคุณจะพูดได้ว่าเออพ่อแมนไม่ใช่ของเราใช่ไหมแต่แต่ละที่มีความยึดมันถือมัน่นในตัวกุงขกูนแล้วอ้าง อ้างว่าพ่อแม่ไม่ใช่มองเราเพื่อที่เราจะไปเที่ยวสนสนาหรือว่าเราทาตาขีิเลกเราเนี่ยมาแสดงว่ามันเป็นเป็นกิเลกที่แอบอ้างเพื่อมาสนองความต้องการส่วนตัวหน้าที่แล้อยอีกถึงที่สุงสก็ต้องไม่ลมสมมติใช่พระอาราหารเนี่ยท่านก็เคารพพ่อแม่ใช่ไหฮะพระอารหัหารพระเจ้าท่านก็นะท่านก็ท า, าหน้าที่ต่อ ต่อลูกต่อต่อลูก ต, ต่ออดีตภรรยาต่อต่อพระเจา้าสุโธทนะถ้าไม่มีตรงนี้ภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะตอนที่ท่านจะตายท่านจะไปรีบิพานเนี่ยสถานที่สุดท้ายที่ท่านไปคือกลับไปบ้านไปสอนแม่ให้ได้ถึงธรรมะก่อนที่ท่านจะปรีบิพานนะไม่ใช่ว่าแม่ไม่ใช่ของเราก็เลยไม่สนใจท่านกลับไปเนีแล้วก็ไปมันไ ป, ปรีบิพานที่บ้านแล้วก็ทําให้แม่ได้บรสุดระ บ, บัยก่อน คแงความครับำถามทั้นเดิมับแต่เป็นคำถามที่สอ ง, องประว่าปัจจุบันท่านเิยมีิตรอย่างใดหรือหลายหลายอย่างส่วนใหญ่เป็นภาพเป็นภาพหลากหลายาพระสมฆ์หลายยุคครูบาอาจารย์ที่น่ารับถือเราต้องอ น, น้อมต่อมิตรนั้นอย่างไรบ้างจ๊ครับสัตวรู้ สัจธรรมรู้ er, เฉยๆหลวงพ่อกำเขียนหลวงพ่ออาตมาบอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นอันนี้เป็นเป็นหลักที่ใช้ตั้งแต่นัปฏิบัติเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเนะเห็นอย่างเดียวอย่าเข้าไปเป็นนิดนก็เหมือนกันแล้วก็เห็นรับรู้มัเพราะว่าถ้าไปถ้าไปหลงไหลมันนียมันจะเนิ่นช้าคงถามต่อไปครับท่าน ลูกสาวไม่เชื่อฝากชอบเที่ยวกลางคืนทำให้พ่อแม่เป็นห่วงพ่อแม่เป็นวางใจควรจะวางใจอย่างไรเจ้าค่ะคือจะถูกต้องเหมือนเด็กก็ไม่ฝางบวกเขาเราก็ทุกข์โคตรเบกยดขาหมายเจ้าค่ะถือว่าเรามีหน้าที่ดีที่สุดเราทําหน้าที่แล้วแล้วไม่งั้นก็เป็นทุกข์สับกบ้าไปเลยเจ้าค่ะรักษาการละเอียด รักษาใจอย่าให้ทุกแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเข า, ถ, าถ้าเราไปโกรธไปเกลียดเขาเนี่ยรัศมีอารมณ์ดุพลังลบเนี่ยของเราเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยิ่งเหมือนหางจากเรานี้ห่ายจากเรามากขึ้น<ม>เราต้องพยายามที่จะรับประคองจิตให้มีเมตตาต่อเขานะเพราะว่าถ้าเรามีพลังลบต่อเขาเนี่ยพ่อมีพ่อมีโทสะนะ มันจะทให้เขาเนี่ยยิ่งรู้สึกลกกับเรามากขึ้นใจที่มีในตาใจที่มีความรักต่อเขาควรจะมีเป็นประโยชน์ต่อเราได้เป็นประโยชน์ต่อเขาด้วยแต่หน้าที่ที่ควรทําเราก็ต้องทำอัน ท, ที่สองแต่ว่าก็ต้องเข้าใจต้องใช้ปัญญาเข้าใจจิตวิทยาของเด็กวัยรุ่นว่ายิ่งห้ามก็เหมือนเคยิี่รู้นะยิ่งผููเขายิ่งไม่ฟังบางทีในวัยนี้เขาต้องการการ เขอยากให้เราฟังเขามากกว่าที่ที่เราจะไปจำที่จำแชร์เขาความปรารถนาดีความหวังดียังเด็กไม่พอต้องใช้ปัญญาและสติเยอะคำถามที่สองท่านเดิมครับพ่อแม่รับเอียงมากยิ่งแก่ยิ่งแสดงออกโยอมแยกครอบครวออกมาแล้วแต่ก็ไปเยี่ยมท่านช่วยกิจาการงานท่านเส ม, ม อ, สมมอ ไปทีไรเศร้าหมองถิดตกมากควรไปนาฬิ้าหรือควรทํำอย่างไรเชื่อข้าเราอย่างนี้ดีกแปลว่าเราไปทําดีเขาเราก็อย่าไปคาดหวังอะไรจากท่าน <c oughs> นะบางทีอันนี้เป็นเรื่องเป็นเป็นเป็นเป็นหลักพื้นฐานเนี่ยเวลาเราไปทําดีกับใครนะเวลาเราไปทําดีกับใครเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่า เขาจะดีกับเราก็าจะสมึงในบุญคุณของเราเขาจะตอบแทนบุญคุณของเราเพราะถ้าเราทำดีกับเขาแล้วเราคาดหวังแบบนั้นเนี่ยเราจะทุกข์เมื่อเขาไม่ทำหรือเขาทำแล้วไม่ไม่ถึงใจเรานี่กับคนทั่วไปนะ<อ>กับพ่อแม่ก็ยิ่งต้องทำอย่างนั้นะก็คือว่าทำดีกับท่านแต่อย่าไปคาดหวังว่าท่านจะ ท, าจะทราบซึ้งเราท่านจะรักเราปลดปนเรายิ่งกว่าลูกคนอนึ่งนะเราทำดีกับท่านเนี่ยนั่นคือหน้าที่ของเราคนที่คนรมี ส่วนท่านจะรู้สึกดีกับเราเนี่านเป็นหน้าที่ของท่านเมื่อท่านไปทําหน้าที่นั้นก็เป็นเรื่องของท่านแต่เราอยากทิ้งหน้าที่ของเรามาทำดีกับท่านโดยที่ไม่หวังอะไรมันก็คือเมื่อเหมือนกับเวลาเราไปทําบุญนะเราทําบุญก็ควรจะทําโดยที่ไม่หวังอะไรใช่ไหมและจะมาเชื่อว่าถ้าเราถ้าเราทําดีกับท่านโดยที่ไม่หวังอะไรเนี่ยใน่สุดเนี่ยในที่สุดเนี่ ย, นนยไม่ช้าก็เร็วท่านก็จะก็จะเห็น แต่ว่าใจะเห็นหรือไม่เห็นเราเอย่าไปคาดหวังนะถ้าเราทํำดีนี่เราจะสบายใจนะทําดีโดยโดยไม่หวังผลนะยิ่กับพ่อแม่นี่ก็ถือว่าท่านท่านทำดีกับเรามาเยอะแนละ้วถึงเวลาเราทําดีกับท่านเราก็ไม่หวังอะไรอทั้งละเพราะที่ท่านให้เรามามันก็เยอะพอแนละ้วเรียกว่าเต็มที่แล้วนะนะท่านอาารย์ท่านบอไปประมาณใช่เป็นทุกติดขอ ง, ของหอมมากเลยเจ้าค่ะ ต้องหมดเงินไปกับการซื้อน้ำหอมหลายหรื่บาทจะแยกขายอย่างไรจนก่าอาจจะอาจจะพาควรจะพาตัวเองไปไปไปใช้ชีวิตในสิ่งในสถานที่ที่มันเรียบง่ายนะไปสถานที่จะเป็นวัดก็ได้นะหรือว่าจะไป จัดเช่นไปเดินธรรมญาตากับตมาก็ได้บนาะงทีแปดทันวานะซื้อหึงแปดทันวาผ่านไปแล้วคือถ้าเราไปใช้ชีวิตแบบที่เรียบง่ายเนี่ยหรือไปปฏิบัติธรรมก็ได้ประเภทว่าที่ต้องไปกางเต้นนะและเราจะพบ ว, ว่าโอชีวิตเนี่ยมันมีมันมีมันมีอะไรที่สำคัญกว่าน้ำหอมเยอะเลยใช่ไหมเพียงแค่ มีน้ำสะอาดใช้เราก็มีความสุขแล้วอย่างคอมเดินธรรมญาตาตมาเนี่ยเพียงแค่ได้เจอได้เจอร่องเนาขณะที่เดินนี่ก็มีความสุขแล้วหรือเพียงแค่ได้เข้าห้องน้ำแล้วไม่ต้องไม่ต้องเข้าคิวก็มีความสุขแล้วเพราคิวมันยาวเราเจอแบบนี้คือเราจะพบว่าเนี่ยโอ้เช่นนี่มันมีความสุขได้ง่าย่างที่ไม่ต้องไม่ต้องผ่านน้ําอออาจารย์หมายว่าให้เราบอกความสุขจากสิ่งใกล้ตัวเรา ด้วยแล้วก็ให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขง่ายๆนะที่ไม่ต้องใช้น้าหอมเนี่ยนะและเราจะพบว่ามันไม่จำเป็นต่อมมไปวัยเด็กนักเรียนหลายคนเนี่ยนะมันมีเด็กนักเรียนทุกปีจะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนรุ่นบรรลุเนี่ยซึ่งผู้ปกครองมีฐานะดีก็จะมาไปเดินทรมญาตาิตาและเด็กพวกนี้ก่อนไปก่อน ไปเดินเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ยาก mm hmm. กินยากนะแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยก็ mm hmm. อยู่ง่ายกินง่าย mm hmm. พอเขารู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้มันไม่ต้องมีอะไรมากก็สุขไดนะ้ความสุขเป็นของง่ายเป็นของที่อาดได้ไม่ยากนะงั้นเขากลับไปที่บ้านเนี่ยเขาก็มีความสบายง่ายไม่ต้องรยงร้องอะไรงั้นคนเราจะ ต้องฝึกให้มีชีวิตที่เรียบง่ายในการทุกเขาปีในสถานที่ที่มันลำบากแล้วก็จะพบว่าความสุขเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่สุข ง, ง่ายไม่เรียกร้องอะไรจากชีวิตมากอาจารย์จัดวันไว้ครับหรการเฉลิมฉลองจัดทุกปีทีละแปดวันนะนละครั้งเหมครับเพาะทีละครั้นนะงนิยมก็ไ ป, ไปมาในชะ่ไหมไปละหลายคนเลยเนี่ยคำ <c oughs> ํ า, ามต่อไปครับ ในแต่ละวันเวลาในจิตของท่านพอจังเป็นสารเป็นอย่างไรคิดอะไรทำจิตอย่างไรฟุ้งซางนไปเยอะแต่ว่าก็พยายามเจริญสติตรู้สึกตัวอย่างที่รทเราพูดก่อนเมื่อคําถามเพื่อตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยให้มีสติก็พยายามทำเหมือ น, นกันกับชีวิตประจําวันไม่ใช่ว่าไม่ฟุง้งนะไม่ใช่ว่าไม่โกรธไม่ใช่ว่าไม่วิตกก็มีแต่ว่ามันไม่ได้มารบกวนจิตใจมาก คำถามตอนนี้หมดแล้วนะครับถ้าใคมีคำถามมีไหมครับมีคำถามก็ส่งคำถามมานะครับพาอาจารย์ก็ไปตอบคำถามให้ขอบคุณที่รับรการรับอาจารย์ชื่อที่